จะเจริญพรญาติโยมทุกท่านก็ปีหนึ่งก็ได้พบกันครั้งหนึ่งในสถานที่นี้จะได้พบกันอีกกี่ครั้งจุดแลแต่เหตุปัจจัยปีที่แล้วมีใครมากี่คนกี่คนโปรดยกมือขึ้นอ่อ๋อยกมือลงเอาไม่ต้องยกเอาลงปีที่แล้วหลวงพ่อกอ็รบกวนโยมเขาอยากจะแจ้งให้ทราบว่า หลวงพ่อสร้างเครื่องช่วยหายใจที่ลงไปงไปมอให้โรงพยาบาลที่ชนบุรีโรงพยาบาลสมเด็จก็ไปทำเรียบร้อยทุกอย่างเครื่องช่วยหายใจห้าแสนตียงสองตียงเก้าหมื่นแล้วก็ยังเหลือเงินอยู่ประมาณแสนกว่าหลวงพ่อก็อเก็บเอาไว้เพราะว่าพอถึงวันนั้นหลวงพ่อก็ไปให้ทุนการศึกษาอีก ต้นการศึกษาที่ผ่านมานี่ก็ให้ไปแล้วสามปีก็ปีนี้ที่ผ่านมาก็ห้ไปยี่สิบคนประมาณทักสองแสนสามคือเด็กที่ลำบากอ่ะที่ลาบากอ่ะหลวงพ่อก็ห้แต่ว่าที่ น, นั้นเขาเดียกว่าเขารอบครอบมีกรรมการต้องประชุมกันให้หลวงพ่อก็บอกว่า เมืประชุมวันเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็ให้บอกหลวงพ่อมาหลวงพ่อจะตัดสินว่าเป็นยังไงคนที่ในครอบครัวมีรายได้น้อยเราก็ให้มากแต่ครอบครัวไหนมีได้ล้านขึ้นไปอย่ามาแซงห้ามแซงนนะเราจะไม่เอาแล้วก็มีคนเหมือนกันก็บอกว่าเอาออกไปเลยคนนี้เราไม่เอาเราต้องการช่วยคนที่ลําบาก เ่ยคนเห็นแก่ตัวนะมันมากก็โยมดูว่าเวลาน้ําท่วมในกรุงเทพนี่แหละเอาของไปแจกคนจนก็ไม่กล้ากลัวเขาจะว่าจนไอ้ที่จนอยู่แล้วนะไม่กลัวเลยกลัวเขาจะว่าจนโดยคนรวยๆนั่นแหละเขาโอกหน้าแล้วก็ไปเอาเนี่ยเห็นไหมจากนั้นคนรวยชนิดนี้น เ, เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเพราะหน้าหนาหน้าหนา อย่างนี้แหละทีนี้หลวงพ่อเนี่ต้องการที่จะช่วยเด็กที่มันลําบากที่ยากจนถ้าหลวงพ่อเป็นรัฐบาลเองนี่หลวงพ่อจะให้ทุนการศึกษาพวกแพทย์เนี่ยะให้มากที่สุดเพราะว่าพวกนี้มันหัวดีมันเก่งทีนี้เราต้องมีข้อแม้บ้างว่าอะไรบ้างต้องมีแต่ไม่ใช่ว่าให้คนที่สอบแพทย์ได้ให้หมดไม่ใช่ต้องออกมา ประมวลประมวลดูแล้วก็ใครที่เป็นคนยากจนรายได้เท่าไหร่สอบได้แล้วไม่มีเงินเรียนนี่มาต้องช่วยทีนี้มีครอบครัวหนึ่งยากจนลูกสาวสอบได้แพทเออมึงนี่ไม่น่าจะไปสอบแพทย์รู้หรือเปล่ากูยากจนแค่ไหนนี่เห็นไหมเห็นไหมหน่าสงสารเด็กน่าสงสารเด็กแล้วก็นี่แหละมันจะช่วยคนได้มากถ้าอย่างนี้ ทำไมรัฐบาลผู้หนักหรือว่ายัางไงเห็นแก่ตัวโกงกันไปโกงกันมาแฉกันไปแฉกันมาอยู่อย่างนั้นนะรัฐบาลไหนก็รัฐบาลนั้ น, น, นเป็นอย่างนั้นนี่แต่หลวงพ่อเนี่ยอยากจะช่วยแล้วก็ให้เขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้มากๆไม่ใช่ไปถึงก็ยื่นให้อย่างนี้ต้องอบรมก่อนพลวพ่อต้องอบรมจใจจะเลยให้ดูอะไรให้ดู นี่ยต้องติดพันใช่มานต้องหลายโรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลอื่นน่ะมีแต่อย่างนี้อย่างเดียวหลวงพ่อไม่เอาแล้วพอทิ้นปีก็ออกรายงานมาว่าอือนี่เด็กคนนี้เกรดเท่านั้นเกรดเท่านั้นแตเรเาไม่เกี่ยวคณะไม่เกี่ยวเกรดดีก็ดีแล้วแต่ว่าต้องปฏิบัติ ด, ดีด้วยและจบไปต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยหลวงพ่อก็สั่งจนกระทั่งว่าถ้าผู้สูงอายุ ถ้าหากว่าเธอมีคลินิกเป็นของตัวเองผู้สูงอายุก็มาไม่มีเงินกลับให้เงินเขาไม่ต้องเอาค่ายาเมตรละบาทไมตรละยี่สิบห้าสิบตะขังแค่นั้นเองช่วยผู้อื่นมั่งเลยนี่มีแต่ตักตวงตักตวงตักตวงท่านก็เลยบอกกันนี่นะถ้าพระเห็นแก่ตัวหมอเห็นแก่ตัวนักการเมืองนี่แก่ตัวการรัการเห็นแก่ตัวเจ้งประเทศไทยนี้ไม่มีทางหรอกไม่มีทางอยู่ได้ ฉะนั่นมาต้องมีคนที่ไม่เห็นแก่ตัวบ้างโอ้ที่จะตูเต๋กันไปที่นี่พวกแพทย์ก็เหมือนกันต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่ว่านี่ช่วงวงนี้โรงพยาบาลนี้ช่วงวันี้ไปโรงพยาบาลโ น, น้นช่วงวันโ้นไปโรงพยาบาลวิ่งวิ่งนานๆกนน็เหมือนหมอฟันอย่างนี้ไปไปมามาเป็นหมอฟันเลยควนันควันเด็ก นี่มันต้องใสควันอะไรอะต้องดัดฟันอย่างนี้ต้องใสสีอย่างนี้ใส่เหล็กอย่างนี้อะไรอย่างนี้เด็กไม่มีเงินเอาสามพันก่อนต่อไปก็ผ่อนเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันเพราะมันยังเด็กนี่มันไม่รู้มันคิดว่าสวยทั้งนั้นปล่อยๆมามคฟันเขียวควันเสียหมดมาถอดออกควันเสียหมดเพราะเลือดมันไม่เลี้ยงเห็นไหมนี่เลยฟันเด็กหมอฟันเดาว่าฟันเด็กเออผู้ใหญ่ไม่ต้องพูดถึงหรอก นี่แหละฉะนั้นทับพระเห็นแก่ตัวหมอเห็นแก่ตัวการาชการเห็นแก่ตัวนักการเมืองเห็นแก่ตัวนายกและตน้มตีเห็นแก่ตุ้มเจ๊งประเทศไทยนี้ให้เราเอาใครเป็นที่พึ่งไม่ยากพระพุทธพระธรรมประสงค์ออกมาเป็นที่พึ่งทีนี้เราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจิตใจไหมพระธรรมมีใจไหมพระสงค์มีใจไหมพระพุทธเจ้ามีสุญญาตาอยู่ภายใน คือจิตว่างจากราคะโทสะโมหะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระธรมนั้นแหะคือธรรมชาติที่สงบเย็นแล้วที่อยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยมีพระเมตตาพระอริยสงฆ์ท่านก็มีแบบเดียวกันกับพระพุทธเจ้านั่นแหละที่พึ่งของเราเราจึงว้าแบบนกแก้วนกขุนทอง พุทธงสรงรค์คดฉามีข้าพเจ้าก็อพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่จะไปยกพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นออาพระพุทธเจ้าเป็นที่พ <ton 6> ึ no ่งต้องเอาภายในของพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมก็คือพระธรรมที่อยู่ภายในของพระพุทธเจ้าเอาพระอริยสงฆ์ที่อยู่ภายในของพระสงฆ์ที่อยู่ในภายในของพระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าก็เท่ากับไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์นี่ นะั่เป็นที่พึ่งต้องอย่างนั้นให้เราก็ใจเอาต่อไปเราก็จะได้บรรยายธรรมที่เป็นเสียงเป็นรูปแล้วก็มีเพลงประกอบมาอย่างนั้นหลับหมดเสาแค่นี้ไม่พอเพราะจองเสากันมาก เจ้านี่ของกูเฉ่านั้นของกูไปนอนกลนอยู่ที่เสาอย่างนั้นไม่เอาแต่ไม่ใช่เ้าพุทธเ่ยเราก็จะต้องฉะนั้นต้องมีหลายหลอย่างประกอบอย่าให้หลับ ภาพทั้งหมดนี้เราเรียกว่าภาพปฏิจจสมุ ป, ปบาทฟังแล้วน่ากลัวเพราะฟังไม่ถูกปฏิจจสมุ ป, ปบาทแปล ว, ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับแปลว่าอย่างนั้นเึินตน้นด้วยอวิชชา อาวิชาอาวิชานี่แปลว่าจิตโง่อวิชาแปลว่าจิตโง่ใต่ตามที่จริงจิตไม่ได้โง่หรือว่าไม่ได้ฉลาดจิตเดิมไม่โง่แล้วก็ไม่ฉลาดยังเป็นจิตที่บริสุทธิ์อยู่เหมือนกับว่าผ้าขาวเราจะยอมเป็นสีอะไรก็ได้ ทีนี่มันโง่เพราะอะไรผิดมันโง่เพราะอะไรโง่เพราะว่ามันมีราคะมันมีโทสะมันมีโมหะนั่นแหละคืออาหารอาหารของอวิชชาทีนี้เราจะลบล้างมันยังไงอวิชชาตัวโง่น่มันข้าวทางตาเราก็รับมาข้าทางหูข้าทางจมูก ทางลิ้นทางกายทางใจรับมารับมาแล้วปล่อยไม่เป็นเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นรับมาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นตาเห็นรูปก็คิดว่าจริงแต่แล้วมันก็ไม่จริงมันจริงแต่ว่ามันไม่จริงมันไม่จริงเพราะอะไรก็รรูปนั้นมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากัวตน เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่รู้สิ่งนี้ว่ามันเป็นอนิจจังอย่างไรมันไหลอย่างไรมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์ขังเพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมันมันใช่ไหมทีนี้ถ้าเราในที่เราเป็นทุกข์เพราะเราข้าไปยึดมั่นถือมั่นให้เราอย่าไปเอามาดิปล่อยวางมันเสียป็นมือของเรานี่แหละไปจับอะไรก็ไม่ยอมวางเลย มันก็หนักอยู่อย่างนั้นจิตก็แบบเดียวกันกับมือของเราจับแล้วก็วางจับแล้วก็วางจับแล้วก็วางเธอไม่ยึดมั่นถือมันจับจักร้อยจักพันจักหมื่นก็ได้เจ้าอะไรก็ได้แต่ไม่จับแล้วก็ถือเอาไว้แบะบเอาไว้เธอไม่ยึดมั่นถือมัน่นฉะนั้นจิตนี้จะต้องเห็นอนิจจังต้องเห็นทุกขังต้องเห็นอ น, นัตตา เห็นอนัตตาไม่เห็นอัตตาเห็ น, นว่าเป็นอัตตาเลยเข้าไปยึดมัน่นถรือมันว่าเป็นตัวตนหมดอันนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเลยทำให้เรามีความทุกข์เรื่องใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ความทุกข์ทางนั้น่ะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ที่ตัวความทุกข์ตัวเดียวเราดูว่าเราปฏิบัติตามอริยมรกไม่มงเป เราก็จะต้องปฏิบัติตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธิให้เข้มข้นแล้วเราก็ขึ้นมาที่สัมมาทิฏฐิตัวเดิมอีกมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริอยสัจอริยสัจทุกตัวแรกเห็นไหมทุกในะตัวแรก เหตุได้เกิดทุก ì, ตัวที่สองความดับทุกขตัวที่สามผลทางให้ถึงความดับทุกขตัวที่สทุกนี่มันคืออะไรทุกนี่มันคืออะไรทุกเป็นเหตุหรือว่าเป็นผลเป็นผลใครเป็นเหตุธมุไทร์เป็นเหตุในเลิศเป็นอะไรในเลิศเป็นผลอริยมรรคเป็นอะไรอาริยมรรคเป็นเหตุมีเห็นไหม ทีนี้ถ้าเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทเราจะเริ่มต้นย่อยการปฏิบัติตามอริยมรรคในองค์แปดแล้วก็ให้เห็นอริยสัจไม่ใช่ว่าพอจิตเป็นสมาธิหนอหนอหนออยู่นั้นหนอไม่โตเลยต้องให้หนอมันโตย่างหนอ เหยียบหนอแล้วก็ต่อไปจากตีหนอก็ตามลงท้ายว่าไม่ใช่กูหนอว่างหนอนี่ไม่อย่างนั้นจะติดสมาธิอยู่นั้นติดอยู่นั้นติดฌานก็เรียกว่าติดฌานเป็นนิ่งอยู่เหมือนก้อนหินเนี่ต่อไปพอมีอะไรหน่อยก็อยู่ตรงนั้นมีอะไรหน่อยก็อยู่ตรงนั้นไปอยู่ที่ตรงนั้นไม่รู้จักยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนานเลยทีนี้ถ้า อ่ะสิบอย่างเรียกว่าอะไรคิดไม่ออกตรงนี้สิบอย่างคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาจังกับโพสัมมาวาจามันกัมมันโตสมมาจีวะัมมาญาวาโยมุสัมมาจติสัมมาสมาธิแล้วก็สัมมายานสัมมายานยานคือตัวรู้ตัวรู้อยู่ในข้อไหนสัมมาทิฏฐิสัมมายานพอสัมมายาน สัมมาวิมุตต์เห็นไหมก็สัมมาญาเน่ยเป็นสัมมาวิมุตต์สัมมาวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นสัมมาญาแปลว่าเห็นแจ้งแต่ถ้าฌานถ้าฌานถ้าฌานก็ติดเครงอยู่ตรงนั้นติดเครงที่สัมมาส ม, มาธิติดตรงนั้นเน่ยหน่อหนอหน อ, หน อ, ห, นอหนออยู่นั้นไม่รู้จักที่จะยกจิตขึ้นจูวิปัชนาหรือยกขึ้นจูส ม, มาทิฏฐิแล้วก็เป็น ญาเป็นญญาณตัวนั้นน่แหละปัญญาณพอเห็นสัมมาทิฏฐิือมีความเห็นอันถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องสัมมานั่นทุกตัวนั่นแหละสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องสัมมาสังกัปโภมีความคิดอันถูกต้องสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาชีวะสัมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิถูกต้องหมด แล้วก็สัมมาญาณยิ่งกว่าถูกต้องได้อีกแล้วสัมมาวิมุตติไม่ใจกูไม่ใจกูแล้วเลิกเลิกเลิกเ ล, ก, เลกสัมมาวิมุตติหลุดพ้นโอ้ยโลกนี้กูไม่เอาอะไรทั้งหมดน้ยพอพอพอ พ, อ พ, อพอมีแต่เหมือนแต่ไม่มีเป็นก็เหมือนแต่ว่าไม่เป็นไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรเบาสบายมีแต่ว่าไม่กล้าไป้ยึดมั่นพื่อมัน เป็นจะเป็นอะไรก็เป็นไปที่แต่ไม่ฆ่าไปยึดมันม่นเถือนมั่นนี่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสามวาวีมดหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้อนอ่าเดี๋ยวพูดประสบการณ์ได้ความอีกนิดหนึ่งตอนนี้ของยิสกันที่เชียงใหม่เรื่องนางพิกชุนีเขาอยากเป็นนางพิกชุนีอยากเป็นนางพิกชุนีกันไป ที่โน้นให้พระน้นรับรองให้ปุถุณะนี้คําประกันวันนั้นหลวงพ่อไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไปบรรยายอยู่ไปสิบวันเชียงใหม่บ้างเชียงรายบ้างพวกนี้ก็เลยเข้าไปแอบใบจหลวงพ่อใจหลวงพ่อประกันเขาหลวงพ่อก็บอกว่าให้รู้จักพระพุทธเจ้าให้รู้จักพระธรรมให้รู้จักพระสงฆ์พระพุทธเจนะ้านั่นแหละจะเป็นประกันเรา พระธรรมพระโฉงนั่นแหละพระอธิษงานนั่นแหละจะประกันเราประกันที่ตรงไหนถ้าเราเห็นอนิจจงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นไม่ได้ทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวตนจริงมันไม่ใช่ของจริงทางนั้นนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ตนจริงทุกอย่างเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนแล้วไปเป็นอะไรทีเนี้ย เป็นพระก็ไม่ใช่เป็นชีก็ไม่ใช่เป็นนางพิทุนีก็ไม่ใช่มีคนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าคูณถามพระองค์ว่าพระองค์เป็นอะไรไปเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพรหมหรือเราไม่ได้เป็นเป็นเทพหรือเราไม่ได้เป็นเป็นคนทานหรือเราไม่ได้เป็นนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอะไรทางนั้นเลยเอนี่ถ้าก็มาถามเราคุณเป็นอะไร เป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่หรือว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นหนายห้างหรือว่าเป็นเศ็ษฐีหรือว่าเป็นนายทุนเราจะตอบภาษาอะไรมันมีสองภาษาหนึ่งภาษาคน2องภาษาธรรมะภาษาคนเป็นอะไรก็เป็นไปที่แต่เราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นดังนั้นเราก็จะต้องในจติตตว่าไม่เป็นอะไร ได้อยู่ถืออยู่เอามาครอบครองอยู่แต่ว่าไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของกูงกเห็นไหมนี่มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นเรียกว่าสัมมาญาณแล้วก็สัมมาวิมุต น, นั้นเราจะเห็นอยสัวก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรไม่อปุปเเทีนี่ปฏิจจสมุปบาทนั่นอยสัตเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทใหญ่ส่วนปฏิจจสมุปบาทจริงๆนะออกมาจากอัยสัตวปฏิจจสมุปบาทราบวงจรน่ะก็คือมีสิเหรือสิองอาการ ให้จะมีปฏิจจรมุปบาทคลึ่งทอนก็เริ่มจากนามรูปอย่างนี้ก็ได้ได้หมดแหละมันได้หมดทีนั้ถ้าจริงจริงทีเดียวนะอริยสัจสี่อกลับไปที่อริยสัจสี่ครั้งหนึ่งอริยสัจสที่เราจะต้องเข้าใจนี่คือเรื่อง อรลยมักโดยเฉพาะเรื่องอรลยมัคนี่ปฏิบัติให้ตรงตามที่เป็นจริงแล้วเราก็จะต้องเห็นตามที่เป็นจริงเหมือนกันไม่อย่างนั้นรอร อ, รอแลๆนี้ไม่ได้ต้องเห็นทุกจริงความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเจ็บเป็นทุกความตายเป็นทุก ไม่ใช่เห็นทะเลกะะเลาะไปอย่างนั้นความเกิดเป็นทุกข์ต้องวิจัยที่ตรงไหนเนีเกิดจากท้องแม่เป็นเรื่องอะไรของเราแม่หนูเกิดแล้วเราเป็นทุกข์ยังไงอ่เห็นไหมแม่หนูเกิดไม่ใช่เราเกิดแต่เรานี่เกิดเกิดอะไรเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกว่าอย่างไงเกิดความรู้สึกว่าตัวกูนี่เห็นไหม เกิด okay, ความรู้สึกว่าตัวปูตัวปูสวยตัวปูรวยตัวปูยากจนตัวปูขี้เล่ตัวปูผมหงอกตัวปูควันรุดทั้งนั้นแหละนี่มันมาจากไหนอ่ะมันมาจากไหนนี่มันมาจากความรู้สึกทั้งนั้นเลยแล้วมันทุกที่ตรงไหนมันทุกที่ความรู้สึกนั่นแหละมันเกิดแล้วมันเกิดที่ตรงนั้นทีนี้ไอ้เกิดทางร่างกายเน่ะ แม่เนาะคลอดเราออกมาแล้วแก่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราแก่เราเจ็บเราตายนี่ภาษาคนภาษาเนื้อหนังเนื้อหนังมันเป็นหนุ่มเป็นสาวใช้เวลาประมาณสามสิบปีมันก็ค่อยๆคอ ล, ค อ, ม ล, ค อ, มลคอมลงไปคลอมลงไปคลอมลงไปกลางคนพอกลางคนมันก็แก่มันแก่แล้วก็ มันเจ็บมันเจ็บแล้วก็มันตายแล้วแล้วใครใช้มันอ่ะใครใช้มันให้มันเกิดให้มันแก่ได้มันเจ็บได้มันตายมันเรื่องของธรรมชาติทางนั้นเลยแล้วเราไปเอามาเป็นของกูอย่างนี้เอามาเป็นของกูเนี่ยมันเกิดมาจากธรรมชาติจากธรรมชาติทางนั้นในโลกนี้ก็เกิดมาจากธรรมชาติทีนี้เกิดสัตว์ขึ้นมาก็เกิดมาจากธรรมชาติก็เกิดมาจากธรรมชาติเป็นตัวนิดเดียว นิดเดียวพอเกิดมาจากธรรมชาติแล้วมันกินอะไรมันกินธรมนธรมชาติกินธรรมชาติเนื้ออาหารการกินที่เรากินทุกวันเป็นของธรรมชาติต่างนั้นเอาอะไรมาหายใจเอาธรรมชาติเอาอะไรมาอยู่มาหลับเอาหูมร่างกายเอาธรรมชาติเจ็บไข้ได้ป่วยเอาอะไรมา่ ะ, าะเอามารักษาก็ธรรมชาติทั้งหมดมันเป็นธรรมชาติท่างนั้นเลยแต่แล้วพอคลอดออกมาแล้วนี่ เกิดจากทองแม่แกเ็เรียกว่าคลอดเรียกว่าคลอดแต่เกิดทางจิตเน่ยเรียกว่าเกิดคือเกิดความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวกูความหนุ่มความสาวของกูแก่ของกูเจ็บก็ของกูตายก็ของกูหนังเหี่ยวก็พวกของกูผมหงอก ข, ของกูอะไรของกูหมดเนี่ยมันโง่ถึงขนาดนั้นทีนี้อนไอ้จิตมันมีจริงไหมมันมีจริงไหมจิตมันมีจริงไหม นี่เราจะต้องศึกษาว่าจิตเองมันก็เป็นธรรมชาติมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันว่างจากตัวตน ไม่ได้มีตัวตนจริงจิตเองก็ไม่ได้มีตัวตนจริงร่างกายก็ไม่ได้มีตัวตนจริงไม่มีอะไรเป็นของจริงเลยในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของจริงมันมีแต่ว่าอนิจจังทุกขงังอนัตตาชุญญตาอย่างนี้ทั้งนั้นเลย แต่ไม่ว่าโลกไหนจากตะวันไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปค้นหาหรอกข้างนอกนักวิทยาศาสตร์ค้นข้างนอกกันค้นกันเหลือเกินมีสิ่งมีชีวิตไหมมีมนุษย์ต่างดาวไหมถ้ามันเรื่องอะไรถ้ไปไปพบมนุษย์ต่างดาวแล้วมันดับทุกข์ได้ไหมดับทุกข์มันได้แต่มันเรื่องอะไรหนาเอหาเรื่องนั่นก็ว่าหาเรื่องมันหาแต่ข้างนอกแต่เราผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องหาข้างใน ว่าที่เราเป็นทุกข์นี่เพราะเราเข้าไปยึดมันมนดม่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นนั่นก็เรียกว่าสมุทัยทุกข์น่นมันเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุสมุทัยนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะเป็นอาหารของใครโนธอาหารของอวิชชาอาวิชชา มันได้กินอาหารทุกครั้งในขณะใดที่เรามีราคาที่มีความพอใจเรามีความพอใจดึงเข้ามาอาวิชชาได้อ่านาแล้วเอา้าเราไม่พอใจรกรธเกลียดเลียดเบียนกันไม่พอใจโทสะได้อ่านาแล้วอวิชชาได้อ่านาแล้วเอา้าราคาโทสะมาจากไหน มาจากโมหะโมหะคืออะไรนั่นแหละตัวจิตโง่แล้วนั่นแหละคือจิตอาวิชาแล้วจิตอาวิชชาเนีนเ่แหละมันได้กินอาหารได้กินอาหารเดียดเด๋ยวโกรธเดียดเด๋ยวโลภเดี for for for for for ๋ยวหลงเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหลงมันก็เลยไม่หมดที่อย่างนั้นมันเลยไม่หมดมันก็เลยสบายอาวิชชานั้นสบายนั่นแหละคือจิตโง่ดังนั้นทุกมาจากจมูกไทย ไอ้นี้เรามีแต่ทุกข์กับไปไ้เกิดทุกข์เราไม่หาว่าทุกข์นี่มันมาจากไหนก็ต้องหาเหตุให้มันพบที่เรามีความทุกข์นี่มันมาจากไหนทุกที่ตรงไหนมันทุกที่จิตทางนั้นอะไรอะไรก็มาสมอยู่ทีนี้ทางนั้นในที่จิตทางนั้นเลยความทุกข์ไปได้เกิดทุกข์มันมาจากไหนหาเจอไม่ใช่พอเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วไปฆ่าตัวตาไปยิงตัวตาเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นเลยไม่ใช่เรื่องทางนั้นเลยนี่มันไม่ใช่มันต้องมาจากเหตุหาเหตุได้เจอทีนี้ไม่มีตานะตามีมีแต่ตาใต้คิ้วนะ่ะมันใช่ไม่ได้อ ต, ตานั้ น, ม, นมันโง่มันโง่มันต้องมีตาภายในยดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามอริยมรสมาองค์แปดสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสีเห็นไหมนอนเห็นอริยสัจสีเห็นขันหน้าเห็นปฏิจจธรรมุปบาทนั่นตาภายในนั่นแหละตาภายในเพราะฉะนั้นตาภายในเนี่ยคือเห็นเห็นเห็นเห็น เห็นมาจากภายในนู่นเห็นมาจากภายในนู่นเห็นอริยสัจสี่เราเราปฏิบัติตามอาริ ย, ยมรรคไม่องเพยได้ก็ถึงพอถึงแล้วก็เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกเห็ น, นได้เกิดทุกพอเห็นแล้วนี่จะดับมันยังไงจะดับมันยังไงนะเราต้องใช้ปัญญาทีนี้ดับกับน้ําธรรมดานี่มันไม่ได้ต้องดับกับน้ําคือปัญญา ดังนั้นเราต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมนองค์8ดไม่ใช่เพียงแต่ท่องได้ไม่ใช่เพียงแต่จาได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมนองค์8ปดผมข้ออยากจะแนะนําว่าทุกท่านต้องมีหนังสือรำวัดชวเช้าเย็นของฉวนโมกแล้วก็ไปกลับไปบ้านไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติเจวัน8วัน กลับไปถึงกบพับหนังถือไว้าตามเดิมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แล้วผิดแล้วเรียกว่าเราจะต้องทำงานไปเรื่อยข้างในเนี่ยทำงานไปเรื่อยข้างนอกทำอะไรก็ทำไปแต่ข้างในก็ภาวนาไปเรื่อยเราก็เดินเราก็ยืนเราก็นั่งเราก็นอนอะไรก็ได้แต่ว่าข้างในต้องภาวนาไปเรื่อยทีนี้เรื่องของอริยมรรคมองค์แปดนี่ ภาคค่ควรที่จะปรับด้วยการทําวัดเย็นนิดหน่อยอิติปิโสตะวาคตโตตุปฏิปันโนแล้วก็ชวดอริยมรรต์แปลตวดแล้วค่อยๆมันค่อยๆแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งแจ่แจ้งขึ้นไปแจ่มแจ้งเพราะเราแปลเนี่ค่อยๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจพอเข้าใจอลไรยังไม่พอนะยังไม่พอนะเรามาคิดอีก เอ่มาทิตฐิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นาริยสั์สี่เห็นขันนาเห็นปฏิจจสมุปบาทพวกเรามาพูดเรื่องความเห็นดีงเรื่องความเห็นอย่างไรเห็นอย่างไรอ้า โ, โยมใหญ่มาเลยตอนนั้นพร ะ, ะรูปหนึ่งมีพระรูปหนึ่งแกบอกว่าแ่อาจจะเป็นตุ๊ดหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปนั่งขวานพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำเลย แต่แล้วไปนั่งมองมองมองมองมอ ง, มองนีพระรูปนั้นที่ ว, ว่าวกะลิทีนี้มองมองแล้วพระพุทธเจ้าหรอจริงรอจริงรอจริงเนี่ยไฟปฏิบัติอยู่ เ, เป็นจุดแต่มากกว่าอย่างนั้นนะทีนี้เป็นยังไงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รู้ขนาดนั้นยังไม่รู้เลยเออเรามาว้าอยู่เป็นเดือนเดือนไม่มีไม่มีคําตอบเลยว่าเป็นยังไงไม่สนองเลยพระพุทธเจ้าดู พระ อ, องค์ก็ว่าให้เดี๋ยวให้ให้ไอ้ยานมันแก่หน่อยเนี่ยให้แก่หน่อยที่างนี้จนกระทั่งมไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วตายดีกว่าอย่างนี้ป้าอยู่คนเดียวตายดีกว่าโน้อขึ้นไปบนยอดเขาแล้ ก, กระโดดเวหวให้ตายพระพุทธเจ้าก็เปล่งพระปัญญาของพระองค์ออกไปดูเห็นพระพุทธเจ้าวเว็บหนึ่งไม่อยากตายขึ้นมาแล้วเพราะเป็นยังไง ไม่อยากตายขึ้นมาแล้วกลัวตายกราบมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเริ่มตรัสว่าดูก่อนว่ากาลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผูนั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่คำว่าเห็นยอมเห็นไหมคำว่าเห็นคำเดียวนี่เห็นคำเดียวนี่ ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุป บ, บาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุป บ, บาทเพราะในพระพุทธเจ้ามีแต่ธรรมท่างนั้นไม่มีอย่างอื่นเนื้อหนังก็เหมือนเราเราตามธรรมดานี่แหละแต่ว่าเรามาทําให้ผิดเพี้ยนออกไปพระพุทธเจ้านิ้วมือเสมอกันหมดโอ้อย่างนั้นก็พิการกิ๊กแทนไหมมาทําพระพุทธเจ้าอย่างไหมก็ไม่รู้แปลกแปลก พอพระพุทธเจ้าจตว่าเอ๊ะทุกข์เป็นอย่า ง, งนี้อย่างนี้เหตุได้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้หนทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้พวกปัญญาอ่อนกอื้อนั่งพระพุทธเจ้าฟังดีน้ํามนต์ดีน้ํามนต์เห็นไหมนี่เลยมันไปกวนเรื่องกันเลยดีน้ำมนต์นนเพราะว่ากันอย่างนี้นอู้อะไรก็ไม่รู้เห็นไหม ผู ata, si ้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจธรมุภบาทผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นปฏิจจธรมุปบาตเพราะเห็นอริยสัจทีนั่นแหละอริยสัจทีนี่เป็นอริยสัจใหญ่ส่วนอริยสัจปฏิจจธรรมุภบาตย่อยออกไปอีกยิ่งย่อยออกไปอีกนี่โยมจะต้องเข้าใจอย่างนั้นเดี๋ยวแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปจนละเอียด รายละเอียดที่นี้พระพุทธเจ้าพระอง์ก็พูดย่อๆว่าพูดย่อๆแล้วเป็นยังไงผูดย่อๆในท่ามกลางพุทธบริษัทอ้าวระไม่เข้าใจกันโยไม่เข้าใจกันโอ้ทำยังไงไปหาพิ่ครอีกรูปหนึ่งว่าที่พระพุทธเจ้าแต่ดังนี้หมายความว่าอย่างไงอ่าไปหาพระชาดีบุตรพระชาดีบุตรก็เจ๊เงๆอีกไลายละเอียดว่ากันไปว่ากันไปว่ากันไป นี่เลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องของผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นนี่คือคําว่าเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นตัวเดียวนี่โยเห็นตัวเดียวนี่เห็นไหมเห็นตัวเดียวนี่แต่เราสมาธิมีความเห็นอันถูกต้องผ่านผ่านแล้วของเราตาน่ะผ่านแต่ปัญญายังโง่กว่าเดิมอีกเห็นไหมทีนี้อย่าง มีคาถาห น, นึ่งอีกเรียกว่าโมกราชโมกราชกับพระพุทธเจ้าโมกราชนี่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ย่อยทางภาคใต้ของประเทศอินเดียแล้วก็เขาได้ยินข่าวว่าเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วทางภาคเหนือของประเทศอินเดียเขาก็รวบรวมกันเพืก็จะไปหาว่ายิงเท็จประการใดก็เลยไปลาอาจารย์ ชวนอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ว่าเราไม่ไปล่อยเราอาจารย์ก็เลยถามว่านี่พวกเธอที่จะไปเราไม่ได้กัดข้อเราทีนี้เราจะถามว่าไอ้เขาโคกับขนโคอันไหนมากกว่าลูกจิตก็บอกขนโคมากกว่าครับผมอาจารย์ว่าเออไอ้ขนโคนี่คือขนโง่เขาโคนี่มีแค่สองเขาละตัวหนึ่งฉะนั้นขนโง่กับคนฉลาดคนฉลาดมีน้อยกว่า เราจะอยู่กับคนง้ดีกว่ากินอยู่สบายเนีเห็นไหมถ้าหลวงพ่อมาอยู่ในกรุงเทพอยู่ใกล้ๆตรงนี้ โยมก็อันนั้นมาถวาย อ, อันี้มาถวายอ้ อ, อนน้นมาถวายของกูของกูของกูงกไม่โง่ตกลงโยมไม่ได้พึ่งหลวงพ่อหรอกนั้นหลวงพ่ออยู่ในถ้าในป่าในดงอยู่ในเขาดีกว่าจะได้เป็นที่พึ่งของญาติโยมได้ไมาอย่างนั้นหลวงพ่อก็โง่ไปแล้วถ้ามาอยู่อย่างนี้ก็โง่ตายเลยดักดานเลยไม่ใช่ไม่เคยอยู่กรุงเทพหลวงพ่อก็เคยมาอยู่แต่หลวงพ่อก็อ่อนใจ ตอนใจที่ตรงไหนบอกให้ขวางตามตรงมีพระรูปหนึ่งพระผู้ใหญ่แล้วก็มีพี่สาวของท่านเอาอะไรไปขายว่าหมาชักหมาชักพรุงนี้ไปกับไปกับยนมได้ไหมได้ยอมจะไปไหนอบอกไปนู่นน้องปลาไหลแต่นะั้นน้องปลาดุกน้องปลาไหลยยตรงไหนก็ไปรุดแถวโน่นเนี่ยเทนี้ก่อนยอไปทำไหมพอไปถึงวัดนั้นก็ พ่อก็สังเกตการโยมก็ไปถึงก็บอกท่านสมพานว่านี่ท่านสมพา น, นาแล้วผู้ใหญ่อย่าเอ่ยห้วยท่านก็เสียชีวิตแล้วเฮ่นอ๋อนี่ยังมีฐานานะพระครูที่อยากจะให้ท่านแต่นั้นแหะท่านต้องเอาเงินไปช่วยท่านหนอยอ๋อผมมาขายฐานานะพระครูฐานา น, นั่นถ้าเป็น พระธรรมพระธรรมโคตาจารอะไรอ ย, อย่างนี้มีตั้งห้าตำแหน่งหกตำแหน่งไม่รู้กี่ตำแหน่งก็ไปขายไก่ของพ่อโอ้โห อ, อ, อย่างนี้หรือกรุงเทพก็อย่างนี้เองของพ่อตอนนั้นกําลังที่จะข้าหมาอะไรหมามากุดแล้วกาลังที่จะไปเข้าเรียนที่วัดบวรแล้วบอกโอ้ก็อย่างนี้กลับบ้านดีกว่าด้วยวงเร า, ไ, เาไม่เอาแล้วไม่เอาเลยนี่ อ, <ส>อย่างนี้แหละมันถอนใจเลย ผลโคมากกว่าเขาโคดังนั้นเราทุกคนที่มานั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ญาติ ย, ยมทุกคนเราต้องการเขาโครเราไม่ต้องการผลโคนี่พระนักบรรยายก็มีเยอะแย ะ, เ, ยะเต็มไปหมดโยมต้องเลือกให้ดูแต่ต้องเลือกให้ดีเลือกให้ดีถ้าดับทุกข์ไม่ได้แม้แต่หลวงพ่อเองที่พูดออกไปนี่ ยอมเอาไปปฏิบัติแล้วดับทุกข์ไม่ได้อย่าเอาไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไอ้มันหนักสมองนี่ต้องอย่างนั้นแม่เงินเยอะแยะเต็มไปหมดเนีการที่สูตรนี่ไม่ยากถ้าปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้เอาเลยถ้าดับทุกข์ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลาไปยุ่งไม่ต้องเอาอย่างนั้นอันี้เรื่องของคําว่าเห็นนี่ต้องพูดกันมากฉะนั้นในสํานักนั้นแหละ กเป็นอนุลูก1ิตทคนมาหาพระพุทธเจ้าจะไปกราบพระพุทธเจ้าไปควางคำสอนของพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติหัวหน้าก็เลยให้ปริศนารรมให้มาถามพระพุทธเจ้าว่าจริงหรือไม่จริงยังไงก็มาถามก็เดินมาเป็นเดือนนะมื่อก่อนนะไม่มีรถอยไม่มีรถยนต์ไม่มีเครื่องบินมีแต่เกวียน เดินกันมาเป็นเดือนๆกว่าจะถึงภาคเหนือของประเทศอินเดียก็เรียกว่าอุตรประเทศในอินเดียเขาเรียกว่าอุตรประเทศเพราะที่อุตตรประเทศนั้นในสมัยนั้นเต็มไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายในนี้มานพนะก็ยังไม่ยังไม่บวชเป็นมานพเขาเรียกว่ามานพคือคนนุ่มอ่ะคนนุ่มก็ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามปัญหาคนละข้อสองข้อถามถามถามถามถามครับ พอเป็นคนสุดท้ายนี่ถามพระพุทธเจ้าทูลถามพระพุทธเจ้าทำอย่างไรงบุคคลใาญ่พบกันกับความตายพระเจ้าข้านี่ก็เรากลัวตายเห็นไหมเราก็กลัวตายเรากลัวแก่เรากลัวเจ็บแล้วกลัวมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาและที่กลัวมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่กลัวตายหรือมันนั่งฟังอยู่ทําไมอ่ะนี่เราจับมาปฏิบัติเพื่อจะหลีก ความแก่ความเจ็บความตายดังนั้นเราต้องดูว่าโอ้ความทุกข์มันเกิดจากความรู้สึกที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมันความหนุ่มสาวของกอูกูไม่อยากให้แก่นี่อยากหนุ่มอยากสาวอยู่อย่างนั้นแหละก็ผ่าตัดกันแล้วผ่าตัดกันอีกใสกระดูกกระเดื่องอะไรน้ำมูกนะ้ํามันอะไรมารู้ใส่ก็ไปใส่้าไปใส่ไปใส่มาใส่ขนตาพรอม ใครขวัตาเพราะยังไม่พอเขียนนี่จะถึงหูแล้วตอนนี้เขียนออกไปเ อ, อ้ดูแลหลวงพ่อสังเวชสังเวชสังเวชใครวันนี้สังเวชเอเนี่ยเพราะว่าเวลาหลวงพ่อจะออกจากเครื่องบินเนี่ยหลวงพ่อนั่งข้างหน้านต้องออกก่อน อ๋อก่อนทีนี่มันก็อย่างไงก็ต้องเปิดประตูหลวงพ่อเราก็ต้องดูตาดูตาโอ้ยหน้าสงสารจริงๆตาดีๆมันไม่จ่อมันเอาตาปลอมเอาขนตาปลอมไปใส่แล้วก็หนักหนักแล้วมันก็เขียนอเขียนไปเขียนมาก็ตวัดขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งต่อไปคิ้วมันต้องตวัดถึงหูแน่นอนเลยนี่เนี่ยะมันกองกูทางนั้นไงโกูทางนั้นเลยน่ากลัวไหมนี่แหละมันยึดมั่นถือมั่นทางนั้น ความหนุ่มสาวของกูความแก่ของกูแต่กูไม่อยากแก่นี่กูไม่อยากแก่แล้วกูไม่อยากเจ็บแล้วกูไม่อยากตายมันอยู่ที่ไหนเนี่ยความทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตหมดเพราะนั้นโอ้จิตนี่มันโ ง, ง่จริงๆแก่ก็ธรรมชาติเจ็บก็ธรรมชาติตายก็ธรรมชาตินั้นมันเป็นธรรมชาติดังนั้นธรรมชาติมันอ า, านิจจังทุกขังอนัตตา nos, สุญญตาโนท ถ้าเลยธรรมชาติปล่อยเพราะเราปฏิบัติธรรมเราเห็นว่าโ อ, like โอ้อย่างนี้มันไม่ใช่ของจริงอันนจจอย่างมัน เ, นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันทุกขังอยากเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันอนัตตาใช่แล้วมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ตัวกูวกทุนจิตาโอ้ทุกอย่างไม่มีอะไรจริงเลยไม่มีอะไรจริงเลยว่างจากตัวตนต่างนั้นนี่ดังนั้นพอเห็นตัวนี้จิตฉลาดเห็น เ, เห็นไหมพอจิตเห็นตัวนี้จิตฉลาด พอจิตฉลาดเห็นโอ้ยผมงอค้างหมก็ไม่ใช่ของกูนี wander, wander, wander, wander. ่โอเแกก็ไม่ใช่กูเจ็บไม่ใช่กูตายไม่ใช่กูทำยังไงว่างว่างว้างว่างว่างวางว่างเอไว้ว่างเอาไว้ภาวนาว่างเอไว้ว่างจากอะไรว่างจากตัวกูเอเห็นไหมนี่แหละนั่นคือเห็นคำว่าเห็นทีนี้ออาหลวงพ่อพูดต่ออีกว่ามุกกราชคนสุดท้ายทูลถามพระพุทธเจ้า ว่าทำอย่างไยเรายายพบกับความแก่อยายพบกับความเจ็บา ย, า ย, บบ า, ยายพบกับความตายก็ถามอย่างนั้นทุลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโดยตรัสว่าสุญโตโลกังอเวคขดสุโมกราชัสถาจโตอัตานุติถิงอุหจ่าเอวังมัจุดโรสิยาเอวังโลกังอเวกขันตังมตุราชานปัจจติ นี่ภาษาต่างประเทศเอายอมนั่งคิดเอากนเดี๋ยวตรงพ่อเฉลยทีหลังอาพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า โูก่อนมมกขาชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างนะท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างตะหวัดกลับหลังหน่อยธรมมทิฏฐิธรรมฉังกัปโปธรมมวาจาธรมมกัมมันตุธรรมาอาจโวะธรรมาวายามุ แล้วก็มาสัมมาสตินี่มาแล้วโยมสัมมาสติฉังนั้นท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างนี่เกี่ยวไหมต้องคิดดูที่เกี่ยวไหมท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างทีนี้เราก็ทวนไปธรรมอาทิตย์ธรรมมาสติหนึ่งมีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ มีสติตัวนี้ไม่ใช่สติตัวเดียวนะมันจะเรียวๆนะมีปัญญาอยู่ด้วยแจมมาสติมีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขากายนี้เป็นานิจัง ยึดมันถือมันไม่ได้เป็นทุกขังเพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นนัตตาตายนี้ว่างจากตัวตนเห็นไหมนีจิติเห็ น, น, นตายในกายเนเราก็ตัวเดียวกายว่างจบแล้วเนี่ยไม่ใช่กูแล้วกายว่างไม่ใช่กูแล้วเนี่ยว่างแล้วพอเราเห็นจริงแล้วมันเห็นแล้ว ม you know, like. so like well, okay. ีสติเห็นกายในกายว่กายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเอ้าหยาบเกินไปยังหยาบเกินไปอะไรหยาบไปอีกมีสติเห็นเวทนาในเวทนาเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะเวทนานี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตา ว่างจากตัวตนเห็นไหมเวทนาก็เกิดดับกายก็เกิดดับเวทนาก็เกิดดับมีสติเห็นจิตในจิตอันนี้เห็นจิตแล้วมีสติเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่จัตบุคคลตัวตนเราเขาจิตนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจิตนี้เป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเห็นไหมมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นมันไม่จริงเลย ม, มีอะไรจริงเลยจิตนี้ก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะมันว่างจากตัวตนไงแค่ถ้ามันมีตัวตนมันก็เกิดอยู่นั้นแหละมันินเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดมันอยู่อย่างนั้นนี่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตนี้ก็ว่างจากตัวตนไม่ใช่เราอย่าไปเข้าไปยึดมั่นถือว่ า, าจิตนี้เป็นเราพอจิตนี้เป็นเราเอาวิชารเกิดทันทีเนี่ยปู่เกิดทันทีเลยตัวปู่เกิดทันทีเลยนั่น เด็กมต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาเมื่อเราปฏิบัติตามองค์อริยมัติแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์เรามีปัญญานะแล้วปัญญานั้นวางไว้เฉยเฉยไม่ได้ไม่ใช่อยู่ในหนังสือปัญญาอยู่ในหนังสือเศสษฐีก็เท่ากับมือแลียเครื่องมือเครื่องไม้นะเวลาเราจะใช้เราเอามือนี่แหละไปหยิบมาไปช่วยมาไปจับมาเอามาใช้นี่เอามาใช้ เรามีเงินจะไปล้วงมันยังไงอยู่ในกระเป๋ามือก็ด้วนนี่แต่เรามีมือเรามีมือไอ้เงินเนี่ยเป็นปัญญาสมมตินะสมมตเงินเป็นปัญญ า, มมนะมมญญาแล้วก็เรามีมืออยูม่มือทีนี้เราก็เอามือนี่แหละล้วงล้วงกับไปแล้วก็ได้เงินมาแล้วเอาไปจ่ายเอาไปจ่ายเอาไปจ่ายเอาไปแลกเปลี่ยนนี่ปัญญาแล้วก็มือสติก็เปรียบเหมือนกับมือ ปัญญาเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องไปจับไปต้องต้องไปรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นความแก่สัมผัสไม่ได้ความเจ็บสัมผัสไม่ได้ความตายสัมผัสไม่ได้แต่ว่าจิตมันสัมผัสได้หมดวอมันสัมผัสได้หมดมันโง่ทํำยังไงเน่ยมนาวิชาเนี่ยมันโง่เนี่ยว่ามันสัมผัสได้ไปเอาความแก่มาเป็นของกูความเจ็บมาเป็นของกูเอาความตายมาเป็นของกู t มน m n ห, หน้ามันที่มันโง่นี่ tromnamna มันมันจึงได้ทุกข์ก็เพราะมันโง่นั่นแหละถ้ามันฉลาดนะมันจะเป็นเป็นทุกข์ทำไมนี่มันเป็นอย่างนั้นก็าจากนั้นพระพุทธเ จ, าจา้าจึงกล่าว่าดูก่อนโมกขาราเอ้าก็ทุดท้ายยังไม่ได้ว่ามีจติเห็ทนทำในธรรมว่าธรรมนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาธรรมนี้เป็นธรรมชาติ ททั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เปลืองเนื้อที่สิ่งที่เป็นอรูปธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาก็คือจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละมันจับต้องไม่ได้มันไม่มีตัวตนจริงจะไปเออะไรกับมันมันไม่จริงแต่ว่ามันก็เป็นทุกข์ได้มันก็เป็นสุขได้มันเป็นอะไรได้แต่ว่าสุข ก็คือทุก์นั่นแหละทุกข์ก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ใชุ่กขไม่ใช่ทุกข์มันก็คือทุกข์นั่นแหละมันทุกข์ทางนั้นทุกข์ทางนั้นแต่เราเข้าไปโง่เองนี่ฉะนั้นจิตเองเป็นธรรมชาติที่เราฝึกแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในตัวจิตเองก็ว่างจากตัวตนพอจิตว่างจากตัวตนจิตนั้นก็เต็มเต็มด้วยอะไร เต็มด้วยสติปัญญาก็เรียกว่าจิตวิชาวิชานี่คือสติปัญญานี่สติปัญญานี่เราจะเรียนที่ไหนก็ข้าโรงเรียนของพระพุทธเจ้าดิเราก็จะไดะ้ปฏิบัติแล้วเราเราก็จะได้จิตวิชามานี่ถ้าเรียนแล้วยังยึดมั่นถือมั่นอยู่มันก็ยังไม่ไวยที่จะมีความทุกข์นั่นแหละราคะทําให้เกิดมีความทุกข์เราก็าไปยึดมั่นถือมัน่น โทชาก็ทําให้ทุกโมหะโง่ยิ่งทําให้ทุกใหญ่เลยนี่มันทุกทางนั้นหนึ่งทุกสองเหตุได้เกิดทุกเนี่ยมันมีเท่านี้ทุกกัเหตุได้เกิดทุกมีเท่านี้ทีนี้มันต้องปฏิบัติตามอริยมรักนั่นตัวที่สี่นะแต่ปฏิบัติตามอริยมรักพอปฏิบัติตามอริยมรักษ์สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสัมมาทิสัมมาญานสัมมวิมุตตไปโน้นพอปฏิบัติตาม จามาทิติจมามอาเดียมักรเราก็ได้ยิโรดนิโรดแต่ตัวขาวๆนะวงขาวๆนะตัวดับนิโรดอต่ตัวดั บ, ดดบไปดับตัวไหนอ่ะดับตัวที่สองนะจมูกตายอดับที่เหตุมันดับที่เหตุเหตุก็ยังหาไม่พบหาพบยังไงผมตาบอดนี่ตาตอบตาตอดมันก็หาไม่พบที่แต่นั้นที่มันทุกเนี่ยอมันทุกเพราะอะไร เคยได้เกิดทุกข์เพราะอะไรที่เรามานอนทุกข์นอนทุกข์นอนทุกข์อยู่หลวงพ่อเล่านิทานเล่ากันจนเบื่อแล้วนี่แต่ไอ้ขอทานสองคนนั่นไอ้ขอทานสองคนไปนอนอยู่ที่ข้างบ้านของเศรษฐีเศรษฐีก็นอนโน่นชั้นข้างบนชั้นที่เจ็ดทีนี้ไอ้ขอทานก็นอนกลอกกลอกรอกอยู่อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐีนอนไม่หลับตาแห้งทั้งคืนเลยเอ๊ะดูข้างหลังอะไรเสียงดังไอ้ขอทาน โอมันกรนกันถึงขนาดนี้เน่ะเรานอนชั้นเจ็ดเดังได้ยินเลยไอ้คนขี้กรนก็อย่างนั้นนอะหลวงพ่อนอนไม่ได้ไคนขี้ครนนอนไม่หลับนอนไม่หลับทีนี้เจตีก็หาเหตุทำไมขอทานมันหลับแต่เราไม่หลับเพราะอะไรเราไม่มีอะไรกินไม่ใช่ก็เยอะแยะกินไม่หมดแล้วนี่นเป็นอะไรอ๋อพระยึดมั่นถือมั่น เงินของกูทองของกูนาของกูไร่ของกูทรัพย์สมบัติของกูมันมีแต่ของกูของกูของกูเต็มไปหมดบนหัวนั่นเต็มไปหมดเอามานอนคิดคิดคิดคิดคิดของกูของกูของกูแต่ว่าไอ้พวกนั้นมันคงไม่มีของกูมันไขอทานนั่นโอ้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วมันไม่มีของกูมันจึงนอนหลับก็ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อที่มัน ที่มันนอนหลับมันเพราะอะไรเพราะมันไม่มีสมบัติมัง้งลองดูที่ก็เลยเอาเงินเอาทองนี่ยห่อกระไปอ่าหอ่หอห่อผ้าแล้วก็ดิ้งลงไปโครมลงไปกางขอทานคนเหน่งขอทารก็โอ้โหเตตีเนี่ยนอนเลยตาอย่างนี้แต่มันไม่เหม็นก็ไม่ใช่มึงั้งลองแก้ดูทีก็คนโอ้เงินเงินเงินเงินเงินอานอนไม่หลับแล้วมือ เกยหน้าผากแล้วเกหน้าผากแล้วโอ้กูจะเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยเอาไปซื้อรถ ด, ดีไหมซื้อเพชรซื้อพลอยดีไหมเอาไปหาลูกหาเมียดีไหมโอ้ทํำยังไงดีอ่าอย่างอย่างอย่างไม่พอต้องทดสอบอีกคนที่สองอพอเองแล้วก็ทิ้งลงไปอีกเอาไอ้คนที่สองโอ้เตะกว่าไอ้บ้า น, นี้เองแต่ให้กูนอนไม่หลับ ไอ้องคนจนไอ้ขอทานนั้นยังนอนไม่หลับเลยอยากว่าแต่กู้เลยนี่เห็นไหมนี่ไรโยมทั้งหลายตัวกู้ของกูมันเป็นอย่างนี้เอง ม า, มาเรื่องของเราต่อพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าดูกรโมคระท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างถอนอัตตานุทิฏฐิอัตตาคือตัวกูทิฏฐิคือความเห็นนี่้ถอนออกเนี่ถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวกูออกไปเสีย ความตายก็ไม่สามารถที่จะมาพบกับเราได้นี่พอตอนแล้วจิตก็อยู่ที่ตัวที่สามคือนิโรธจิตว่างพอจิตว่างนะเกิดความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูแกก็ไม่ใช่ ก, ก, ช ก, ก, ชกูเจ็บก็ไม่ใช่กูตายก็ไม่ใช่กูผมงอก็มึงงอ ก, กไปที่ไม่ใช่กูงอกกูไม่ได้ทูลมึง นี่เรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นทีนี้มันเป็นยังไงธรรมชาติทำให้เราแก่หนังเหี่ยวผมงอกหนังย่นตาไม่ดีอะไรอย่างเป็นยังไงธรรมชาติมันมาเตือนไอ้ที่เราอยู่ทุกวันอยูบ้านเช่าอยู่บ้านเช่าทีนี้ทำไมไม่สวงหาบ้านเองอ่ะที่อยู่บ้านเชาวยู่อยู่บ้านชาาจนตายเลยนี่อ๋บ้านที่เป็นของเองก็งนั้นแหละรุญญานตาน่แหละคือบ้านเองแล้ว บ้านที่เป็นชนญตาน่ยคือบ้านที่ว่างว่างจากตัวกูของกูนี่ธรรมชาติก็ไม่ยืมพอก็ไม่ยืมแล้วพอเกิดมาแล้วอะไรแล้วอาศัยธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมานอนกินอยู่สบายเทแล้กวกตามเดิมเป็นอะไรตามเดิมเป็นหมาตามเดิมเห็นไหมเป็นหมาตามเดิมเนี่ยนี่เป็นยังไงเพราะมันยึดมัน่นถือมันก็ เ, เลยเป็นทุกอย่างนะ น, นี่เราต้อง แสวงหาบ้านใหม่บ้านใหม่นี่ไม่ทุกที่ไม่ทุกเพราะอะไรความเกิดไม่ใช่ของกูแต่เกิความรู้สึกความแก่ก็คือมึงแก่กูไม่ได้แก่ความแก่ไม่ใช่ของกูความเจ็บอ้าวว่างว่างววงวางเอาไว้เวลามันเจ็บมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นเข้าไปในสมองเฮ้เราก็ว่างว่างว่างว่งวว่อว้ว่าเอาไว้ชนะเลย ความเจ็บก็ไม่ใจของกูเอาตายก็ตายมึงตายดิไม่มีกูใครมันจะตายพระเจยังไม่รับได้ว่าเป็นของกูนี่เห็นไหมเอาไหมอย่างนี้ถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องมานั่งกันอยู่ตรงนี้หรอกต้องเอาทุกคนจะต้องเอาต้องรับรู้นี่อย่าไปอยู่บ้านเช่ากันจนตายหาบ้านเป็นของตัวเองคือเรียกว่าชนญาตาวิหารพระพุทธเจ้าในครั้งหนึ่ พระองค์นานๆก็รับจะแขกไม่ไหวก็ข้าในป่าบ้างไปชาร์จแบตเตรี่บ้างแล้วข้าไปในป่าพระองค์ก็เดินจงกรมเดินไปไม่ใหญ่กูอยู่ว่างๆอยู่ว่างๆว่างๆมีพระรูปไหนก็อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าน่ท่านอยู่ยังไงก็เลยพระเจ้าข้าพระองค์อยู่ยังไงพระเจ้าข้าพระองค์ก็บอกว่าเราอยู่กับสุญญตาอวิหาร เคยไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับธรรมะอะไรพระพุทธเจ้าแปลว่าเราอยู่กับสุญญตาวิหารวิหารนะไม่ใช่วไม่ใช่ไม่ใช่ปูน ไ, ไ, ไม่ใช่อิฐไม่ใช่หินไม่ใช่เหล็กวิหาระนะแปลว่าอยู่ทีในี้สุญญตาแปลว่าว่ า, างอยู่ด้วยจิตว่างก็คืออยู่กับจิตที่ไม่ยึดมั่นหรือมันอะไรนั่นพระพุทธเจา้าอยู่กับจิตที่ไม่ยึดมั่นหรือมันอะไร อยู่กับติดว่างว่าก็คือพอจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้าา valu, แล้วก็ปล่อยไม่เจะรู้ได้ยึดติดเอาไว้นี่รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยได้นั่นคืออย่างนั้นก็เรียกว่าอยู่กับติดว่าง เราจะต้องอยู่กับจิตว่างอยู่กับจิตว่างให้ได้นี้จิตว่างคือนิ่งนิ่งไม่ใช่ไม่รู้นะไม่ใช่สลบไปเหมือนก้อนหินเหมือนต้นไม้นะมันจะนิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งมันก็ภาวนาอยู่นั่นแหละมันเรียกว่ามันสเตนบายอยู่ อยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งๆอยู่นิ่ง น, งนงรว่าอยู่ว่างว่างอยู่ว่างว่างเดินว่างว่างนั่งว่างว่างนอนว่างว่างนี่นี่แล้ ว, ว่ามีสติเห็นธรรมในธรรม ว่าทำนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทำนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเราเห็นไหมมันมันจะเกี่ยวโยงกันหมดแหละทุกข้อนั่นแหละในอริยมรรคมีองค์แปดเกี่ยวโยงกันหมดนี่เพียงสตินะสติ แล้ก็ดึงปัญญาก็ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาจังกัปโผลนั่นคือตัวปัญญาทีนี้มีปัญญาแล้วมีมีดแล้วแต่มือด้วนได้มันจะทําอะไรได้เนาะมีแต่ปัญญาอย่างเดียวนี่มันต้องมีมือด้วยแล้วมือนั่นก็ไปดึงมาอไปดึงออกเหมือนกับมีดปัญญาก็เปรียบเหมือนกับมีดนะเนี่ยทีนี้ไอ้ จิตน่ะเหมือนกับมือเราต้องดึงออกมาใช้เนี่ยพอเราไปเห็นอะไรก็อย่ายึดมั่นถือมั่นแต่การที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงให้ชํานาญให้ชํานาญก่อนอันนิดจังเป็นอะไรอเรื่องอันิดจังอันนิดจังอนนิดจังเราอยากจะรู้อันนิดจังเราก็ท่องอันนิดจังอันนิดจังอนนิดจังอนิดจังอ๋อเฮ่ออันนิดจังหายใจเข้าว่าอนนิดจังหายใจออกก่าอันนิดจังอันนิดจังอันนิดจังถ้ามัน เป็นนิดจังมันเตี้ยงหายใจเข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้ามันเป็นนิจังตายตายแน่อย่างนั้นตายแน่ทีนี้มันเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันเออมันเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วก็อากาศเสียมันเอาออกมานี่มันก็ทําหน้าที่อย่างนั้นก็ธรรมชาติแล้วเห็นไหมมันธรรมชาติแล้วทีนี้ที่มันออกมาแล้วมันออกไปไหนโน่นต้นไม้นี่ช่วยกัน ด้วยกันนะนั่นก็นคือโรงงานน่ะต้นไม้เป็นโรงงานเป็นโรงงานที่มันเปลี่ยนจากไอ้คาร์บอนให้เป็นออกซิเจนเราก็เลยไม่ค่อยปลูกกันต้นไม้เกลียดต้นไม้ไปถางมันหมดไปตัดมันหมดปูเขาก็หัวโลนหมดก็เลยนี่แหละอันนี้ต่างพวกฝนตกหนักก็เกลียดฝนแรงก็เกลียดไม่รู้จะเอาอะไรธรรมชาติโดยทํา ไม่ถูกใจมนุษย์แต่ครั้งหนึ่งนี่เพราะเราห่างธรรมชาติไม่ศึกษาธรรมชาติธรรมชาติทุกอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันทางนั้นเลยธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้าไม่อาศัยชึ้งกันและกันไม่ได้ที่นี้เราก็เกิดมาจากธรรมชาติก็เกิดจากธรรมชาติแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละเห็นไหมฉะนั้นธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะ ไม่ใจธรรมะอยู่ในวัดแล้วก็เราอยู่ที่บ้านมันไม่ใช่ธรรมชาติดังนั้นไม่ว่าบ้านหรือว่าวัดไม่ว่าอะไรต้องธรรมชาติดังนั้นเราจะต้องศึกษาธรรมชาติให้เข้าใจให้ลึกซึง้งแล้วก็เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงนั่นจิตมันจึงว่างจิตว่างท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างสอนอัตตานุทิทธีคือความเห็นว่า ต, วตัวตน หรือความเห็นว่าตัวกูออกไปเสียเมื่อนั้นมัจยุราชคือความตายจะมองไม่เห็นท่านจะเห็นที่ไหนก็เป็นธรรมชาติหมดแล้วนี่จิตมันเข้าไปสู่ธรรมชาติแล้วไปเป็นธรรมชาติแล้วมีสติเห็น จ, นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขา่าจิตนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นชนญาตาว่างจากตัวตนนี่ทีนี้ถ้าเราจะดูในอานาปนสติ หนึ่งรู้จักจิตเรารู้จักได้อย่างว่าจิตมันไม่มีตัวตนจริงหนึ่งรู้จักจิตทีนี้เวลามันโง่ขึ้นมานะมันเศร้าโศยมันเป็นทุกข์หนึ่งรู้จักจิตสองทำจิตให้ประโมทก็อ้อปลูกต้นไม้ก็บ้างดีข้างข้างบ้านะจะได้สบายใจไม้ดอกไม้ประดับอแต่ใครอะไรตอปลูกเข้าไป้แล้วก็จะได้สบายเออดูต้นไม้เออต้นไม้มันไม่มีความทุกข์ทำไมกูมันมีความทุกข์ เอ้ยมามันนอนอยู่หมอนมันก็ไม่มีทําไมกูมีความทุกข์โอ้ดูที่อนกมันมีอะไรบ้างหม้อข้าวมันก็ไม่มีไม่เห็นมันเป็นทุกข์แต่กูหม้อข้าวก็มีหม้อแกงก็มีมีทุกอย่างกูมีกอูโง่กว่าพวกนี้อีกนี่ต้องศึกษาธรรมชาติทั้งนั้นเลยเอกษาธรรมชาติแล้วเอามาเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็เอามาเปรียบเทียบเออเรานี่มันโง่จริงๆโง่จริงๆริมีทุกจริงทุกอย่าง มีจนเหลือกเฟือ่อยเลยตอนนี้จนเชื่อก็ใส่ไม่หมดแล้วจําไม่ได้ว่าจีอะไรมั่งเลือกกันกว่าจะมาที่วัดนี้ไรไอตัวขาวอยู่ตรงไหน น, นี่หากันเพราะมันเยอะแยะเต็มไปหมดขา ว, ขาวกว่าหลายขาวอีกเนี่ยมันมีหลายไซสอีมันลาบากนี่เห็นไหมนกมันไม่มีห น, มนมมูมันไม่มีหมาก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีเอ้าดูทีอ่ะยอมไปดูอันนั้นจะบ้างก็ได้ดูในไอ้ไอ้โน้ตเรื่องใหญ่ เรื่องสัตว์ต่างๆนะในโทรทัศนะ์อย่าออยยู่ย่าดูแต่จับๆวงๆอย่าดูแต่หนังมันโงใ่ให้เราให้เราช่วยโง่กับมันด้วยเนะ่ยมันโง่าทั้งนั้นเลยพวกนั้นอนะ่าพวกนั้นมันตกนรกทั้งนั้นเน่ยมันเป็นมาหลอกพวกเราทีานี้เราก็ไปเชื่อมันเราต้องดูสารคดีโน้าสารคดีตัวจริงๆนะ่ยโอ้ดูโอ้ดูที่ไอเสือนะไปกินช้างไปกินกวางไปกินอะไร เกลือก็ไม่ใส่น้ำปลาก็ไม่มีเราทำไมเยเราทำไมเนี่ยกินไม่ได้เลยเนี่ยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นที่นี่เรามันผิดธรรมชาติเอ้นั้นมาใส่อนี่มาใส่มาโน่จนผิดธรรมชาติไปพอผิดไปผิดมาเป็นมะเร็งเลยที่นี่เ ป, นเป็นมาเป็นมะเร็งเลยนี่โอ้เจ้โรคใส่เข้าไปทีนี่ไอ้พวกนั้นเห็นไหมเราต้องศึกษาธรรมชาติได้มากมากๆมากไอ้ต่อไป มีสติเห็นธรรมในธรรมว่าธรรมนี้ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาธรรมนี้เป็นอนิกจังเป็นอนัตตาเป็นรุนิตาว่างจากตัวตนนี่คือจิตแล้วนี่นหละคือจิตจิตเป็นธรรมชาตินี่เดงรู้จักจิตสองทำจิดให้ปราโมทถ้าจิตโกรธจิตโง่จิตหลงบอกโงอก่อีและกูโง่อีและกูโง่เกะหัวตะทีหนึ่งเกะหัวตัวเองนะอะไรใหญ่คนอื่นเกะอ่ า, านี่ รู้จักจิตสองทำจิตให้ปราโมทสามทำจิตให้ตั้งมั่นอให้หนักแน่นนี่ปล่อยจิตปล่อยจิตเห็นไหมปล่อยจิตนี่ปล่อยได้ไหมจิตปล่อยได้แต่ทำไมปล่อยไม่ได้เพราะมันไม่ใจ๊กูโอ้จิตก็ไม่ใจ๊กูแล้วเป็นอะไรเป็นธรรมชาติปล่อยให้ใครก็ปล่อยให้ธรรมชาติดิ่งเหมือนกับว่าธรรมชาติมันอยู่ในป่า อยู่อยปา่าด้วนะนี่มีนิทานหนึ่งลิงลิงเผือกลิงเผือกก็อยู่ในคูงหย่อยมีลูกน้องเป็นร้อยนายพรานไปเห็นครับลิงเผือกก็จับดีกว่าเอาไปถาวายพระเจ้าแผ่นดินก็จับดักมาได้ถวายพระเจ้าแผ่นดินโอ้ยเจนแรกๆนี่เง อ, อลิงเผือกกันคนนั้นก็ไปดูลิงเผือกคนนี้ก็ไปดูลิงเผือกทีนี้ลิงนั้น เป็นลิงอะไรลิงพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ศึกษาก็าทําอะไรกันนอะในพระราชวังนี้เขาทาอะไรกันอันนี้ก็ของกูนั้นก็ของกูพัวของกูเมียของกูทรัพย์สมบัติของกูอะไรก็ของกูของกูไป ม, มาอู้นี่ก็อยู่กันอย่างนี้ี่พระโพธิสัตว์ว่าตายแล้ววันหนึ่งได้ยินได้ตัวกูกับของกูตัวกูกับของ ก, ก, ก, องกูไม่อยากจะตายดีกว่าน้ําก็ไม่กินข้าวก็ไม่กิน อาหารผักดียังไงผลไม้ดียังไงก็ไม่กินไม่กินดินผอมลงผอมลงโอ้เจ้าแผ่นดินมาเห็นเขาโอ้ตายแน่ตายแ น, ยแน่อย่างนี้เอาไปปล่อยเถอะไปปล่อยที่เดิมไปไปให้นายพรานเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยทิ้งๆก็าบอกลูกน้องนั่นแหละพวกบริวารมาถึงโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกพี่มาแล้วเป็นยังไงนวังอยู่สบายไหมอยู่สบายไหม โอ้ยสบายเลยมันมีแต่เรื่องตัวกูของกูทางนั้นเลยหัวของกูเมียของกูทรัพย์สมบัติของกูอันนั้นของกูลูกน้องวัยเจ้าพอแล้วพอแล้วพอแล้พอแล้พอแล้วลิงพวกนั้นก็รูลงไปที่ไหนไปที่ลําธารไปล้างหูกันลิงไม่เคยได้ยินเลยว่าของกูต้นไม้ของกูผลไม้ผลไม้ต้นนี้ของกูป่านี้ของกูเลยไม่มีเลย ลิงได้ยินอย่างเป็นล่างหูกันหมดอย่าได้ยินเลยเรื่องยัง ที่เราเป็นทุกข์เรื่องตัวกูกับของกูนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นทีนี้จิตก็ไม่ใช่กูหนึ่งมีมีสติเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่จัตุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแดงรู้จักจิตลองทำจิตให้ปราโมทถามจิตทำจิตให้ตั้งมั่นสี่ปล่อยจิตนะเหมือนกับปล่อยลิงตัวนี้แหละปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาติ สีปล่อยจิตพอปล่อยจิตแล้วจิตนั้นเป็นอะไรเป็นธรรมชาติพอจิตนั้นเป็นธรรมชาติแล้วอนิจจานุปัสสีอืมจิตเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจํานี่ฉลาดขึ้นมาแล้วฉลาดขึ้นมาแล้วอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจําเห็นไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเราท่องความไม่เที่ยงไว้แล้วเราเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยง เห็นความไม่เที่ยงอยู่ตลอดไปเลยอั น, นิีจานุปัตติแล้วพอต่อมาก็เห็นวิราคานุปัตติเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อนอ่กูแล้วก็เบื่อนะยยกคนหนึ่งที่ผ่านไปแล้วตอนนี้ก็นั้นไปนานแล้วกูแล้วก็เบื่อนั่นแหละนั่นแหละนี่อันนีจานุปัติวิราคานุปัตติเห็นคนสวยๆนี่เห็นคนสวยๆคนหล่อนๆโอ้สองพ่อก็พูดะเมื่อตอนเย็นบอกว่านี่ ที่คนช่วยๆหล่อโลน์เอามาตัดน่ะเอามาตัดเป็นบ้องเป็นบ้องเป็นบ้องเออตัดเป็นบ้องแต่แล้วสวยไหมที่นี้สวยไหมแถ้าจะเห็นี่มากกว่านั้นควักลูกตาออกมาเฉือนแก้มออกมาเฉือนจมูกออกมาเฉือนเปลือกปากออกมาควักลําไส้ออกมาหัวใจออกมาเอาควักสมองออกมาไหนสวยตรงไหนดูทีมันสวยตรงไหนเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเรียกว่าวิรากานุปัสี โอแล้วก็เบื่อไม่เบื่อยังไงหลวงพ่อเมื่อก่อนไปนูน่นไปที่โรงพยาบาลตํารวจโอ้ยวันนั้นมันข้าไปสองสามครั้งวันนั้นเป็นพิเศษจริงๆทำไมข้าวยังไม่ถึงเลยเหลือต้งเอ่อต้องเดินนีกั้งไกลแต่มันเหม็นออกมาข้างนอกก็ข้าวไปพก็ข้าไปถึงเป็นยังไงเลยหลวงพ่อไปจนพวกนั้นรู้จักแล้วรู้จัก ไปครั้งแรกก็ไม่ค่อยให้ข้าวไม่ข้าวหลวงพ่อก็เตรียมพร้อมไปเลยเรากลัวเลยเราก็มีปัญญาทีนี้ที่พัตตลุงที่ดังหลวงพ่อนั้นดังหลวงพ่อนี่ดังหลวงพ่อคงหลวงพ่ออะไรต่ออะไรไม่รู้ดังเราไปที่เพื่อนไปที่เมางคนเอ า, เอาหลวงพ่ออะไรก็ได้เอาไมา้ผมจะกอบดิผมจะเอาไปจัดการกับพวกนี้แนี่พอไปถึงกันน่าางวันเออนี่เอาไม้อย่างนี้ออกไปดูสบายเลยว่ากัน พอได้อย่างนี้รลวงได้หลวงพ่อก็แล้วพอได้เหรียญก็เท่านั้นเนี่ยพอใจเลยหลวงพ่อกาวทีนี้วันนั้นพิเศษพิเศษโอ้วันนี้หลวงพ่อเอจะผมจะให้พิเศษแกก็ไปดึงออกมาจากนิจจ์โดยถามว่าทาไมวันนี้กลิ่นมันมากเหลือเกินแกบอกว่าวันนี้มันครบเจ็ห้าวันแล้วพอครบเจ็ห้าวันแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาไปโน้ตแหละวัดอะไรที่ตรงนั้นใกล้ๆน่ะ ก็ต้างเอาไปเผาไปขวางที่บ้า ว, วันแล้วมันจบไม่มีญาติโอ้จริงทีนี้แกก็ดึงออกมาดึงหออายของ พ, พ่อพิเศษแล้วก็ใส่ใส่นั้นใส่ลุดเข็มแล้วก็เขาก็ผูกเชือกผูกได้นะั้นผูกได้ขาวออผ้าขาวแกวก็ตัดเชือกออกแล้วก็เราแก้ผ้าแก้ก่อนหมดอะไรหมด่ไม่มีอะไรโอ้โอโหลวงพ่อเห็นแล้วก็ อ น, นิจจานุปัฏิวิราการุปัฏฐิเกิดเลยที่อ้นวันเหม็นก็เหมน็นกลิ่นก็แรงเนี่ยก็ทุกจริงทุกอย่างแล้๋ยวว่ามันมีแต่จกกระปลกทั้งนั้นเลยหม่พอเสร็จ แ, แล้วถึงเวลาเปลีนออกไปโน้จะจันอะไรเนี่ยอที่ที่ไม่มีเนื้อมีไม่รักเนี่ย <laughs> ที่ไม่เป็นเนื้อมีไหมก็บอกว่าไม่มีไ ม, มไม่มีก็พอดีไอ้รถนั้นนอ้รส รถเข็นเนี่ยมันกิ้งกิ้งกิ้งกิ้เงียนั่นไก่จำผูมังไก่อะไรบัางวอาเออเดี๋ยวก่อนซื้อหน่อยก่อนซื้อหน่อยวันนี้จะอดเปลี่ยนแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้จันอะไรไม่ได้เลยเนี่มันไม่ไหวมันไม่ไหวจริงๆริงอันนียอานิจจานุปัฏสีเห็นความไม่เที่ยงหรือเป็นประจําวิราคานุปัฏสีเห็นความเบื่อหน่ายมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสามีภรรยาน่ะเห็นไหมคนสไหมก่อนน่ะ ภรยาจะต้องตื่นก่อนนะแล้วก็นอนทีหลังเทํำมาอย่างนั้นเน่ะต้องนอนทีหลังเพราะถ้านอนก่อนบางทีนอนกล่นครอกครอกครอกน้ําลายบูดไหลสามีเห็นก็เมื่อยหน่ายเห็นไหมผมก็ผมพาวัวจกกับปลอกนะก็ให้นอนทีหลังทีนี้ตื่นก็ต้องตื่นก่อน เราไม่ตือนก่อนไม่ได้น้ําลายบูดมันไหลอะไระไหลนี่มันทุกข์กระโปรงปากก็เหม็นเออวิรากานุปัสสีมันเกิดแหละทีนี้มันเกิดวิรากานุปัสสีมันเบื่อหนายอ น, นิีจานุปัสสีวิรากานุปัสสีนิโรธาณุปัสสีจางไกรจางไกรพอเบื่อหนายแล้วพอเบื่อหนายเสร็จแล้วมันมันจางไ อ, ไอความรักเนะี่ยความรักความชอบนะี่มันก็จางจางจางจางจ ความรักว่าตัวกูนี่แหละว่าตัวกูไม่ต้องไปดูคนอื่นนะดูตัวกูนี่แหละเอาไปถ่ายในห้องน้ําในห้องซ่วงถ่ายแต่แล้กวก็ถ่ายหนักถ่ายเบาทมน้ําหลายลงไปว่วนปากลงภัยดูที่มันเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหโห่เนี่ยมันจกปลกถึงขนาดนี้หรือตัวกูเนี่ยเอดูที่มันมาจากไหนเนี่ยกูทั้งนั้นมาจากกูทั้งนั้นเลยเห็นไหมจกปลกทั้งนั้น อันนีจานุปัฏฐิวิราการุปัฏฐีนี่โรธาณุปัฏฐีโอ้ยไม่โอ้ยไม่โอ้ยเห็นเห็นคนทั้งหมดเป็นศพหมดเลยเห็นเป็นศพหมดนี่มันพวกเราอย่างเนี้ยต้องตายถ้าเราตายอยู่ในตอนนี้เอยู่ตรงนี้รับรองมาสามวันใครไม่กล้าข่าวเลยที่ตรงนี้เหม็นชิงเลยมันไม่ไหวเนี่ยมันไม่ไหวนี่ ening, น, น, นี่อัญจานุปัฏฐิวิราการุปัฏฐีนี่โรธานุปัฏฐี แต่แล้วไม่เอาอะไรเล it, ิกเลิกเลิกเลเลิกพอพอพอพอพปฏินิตรกาโุปัสีสลัดคืนแล้วคือในใครอ่ะใครเป็นเจ้าของอ่ะรากโกกนี่ใครเป็นเจ้าของในใเนเี่ยจิตก็ธรรมชาติเป็นเจ้าของร่างกายก็ธรรมชาติเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นธรรมชาติตั้งนั้นคือในธรรมชาติปฏินิตรกาโุปัสีเอาไปอไอกไปอไอกไปออกไปออกไปเนี่ย พอถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะสลัดคืนจิตมันจะบอกว่าออกไปออกไปออกไปออกไปเหมือนกับว่าเรามีเรืออยู่ลาหนึ่งแล้วเรือมันรั่วพอมันรั่วน้ํำข้าน้ํำข้าวเราก็วิทออกไปวิทออกไปวิทออกไปวิทออกไปนี่ก็เรียกว่าปฏินิสการุปัสสีสลัดคือในธรรมชาติทั้งร่างกายทั้งจิตใจนั่นแหละคือในธรรมชาติหมดไม่ อ, อร่อยแล้วเลิอกเลือก พอกันทีกูไม่เอาอะไรแล้วพอแล้วตัวกูพอแล้ ว, ว, ลวไม่เอาแล้วนี่วันก็เลยมีแต่ธรรมะมีแต่ธรรมะแต่นี้พระพุท ธ, ทธเจ้าจะรู้อะไรพระปัญญาคุณปัญญาที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ปัญญาที่โกงพระปัญญาคุณแล้วก็พระเมตตาคุณก็มีปัญญาแล้วพระองค์ก็อยากได้ให้ผู้อื่นก็ไม่มีความทุกข์เหมือนกับพระองค์ด้วยทํำยังไงพระองค์ก็มีเมตตา จะต้องสอนสอนสอนสอนสอนสอนสอนนี่เห็นไหมนี่จะไปสอนใครอ๋อก็ตรองหาเองห า, หาลู่ทางอยู่ไปสอนคนนั้นสอนคนนี้สอนจนได้สาวกมามากมายพุทธศาสนาก็เกิดเห็นไหมจนมาถึงบัดนี้แล้วถ้าเราไม่ทําตามพระองค์แล้วใครเป็นทุกข์เราเนี่ยเป็นทุกเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามอริยมรเม็องแปดแล้วก็ถอนตัวกูออกไปเสีย ความตายก็ไม่มีปัญหาสาหรั บ, บเราแล้วตายเดี๋ยวนี้ก็ได้โอ้มันอยากตากดตายด้วยเอาตายนอนตายทำยังไงตาไทยกลัวตายมากหลวงพ่อจะบอกง่าวิธีตายอบอกง่าว่านอนเอามือขวาทับมือซ้ายนอนหงายแล้วหายใจเข้าหายใจออกอภาวนาอย่างไรภาวนาว่งงาตายแล้วตายแล้วตายแล้ ว, ว, วนี่ เาหนาว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วจิตน่ะจนจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิมันก็มาอยู่ข้างๆเราเนี่ยแหละอ่าเราแยกจิตออกแล้วอยู่ข้างๆเราอยู่ข้างๆเราใครเนี่ยที่นอนเนีมันไม่ใช่กูนี่มันตายแล้วนี่เต่าไปมันก็หนาอ่าหน่าแล้วทีนี้เขาก็เอาไปเผาเอาไปกวางเม่เห็นมีอะไรนี่เผาาวนาว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันก็ไม่กลัวตายดีนีเห็นไหมนี่ต้องทําอย่างนี้ ปฏิบัติก็เรียกว่าตอ้องเอาไว้หนักแน่นก้าไปไม่อย่างนั้นไม่ได้ มาที่เดิมมาจุดเิมมุ่บบับบันี่คืออาวิชามันได้กินอาหารเราทํำยังไงให้มันอดอาหารบ้างก็คืออย่าปล้นให้มันราคะไม่ใช่ราคาในเรื่องของนะระหว่างเพศอย่างเดียวราคะในวัตถุในวัตถุสิ่งของในรถในราในรทุกอย่างเนี่ยนะมันจะมีราคะ ดลาก็คือความพอใจเห็นไหมโทรสาถ้าไม่ได้ตามความพอใจมันก็โกรธโมหะเพราะมันโง่มันหลงนี่เราต้องสกัดกั้นมันคือให้มันอดอาหารอะนมันก็เหี่ยวแห้งตายไปเองอวิชาเป็นปัจจัยนี่กวัยเกิดทุกข์นะอาวิชาเป็นปัจจัยทํนะ า, า ใ, ทให้เกิดสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งแปลว่าปรุงแต่ง ทีนี้จิตสังขารแปลว่าคิดคิดคิดคิดอยู่นั้นเคิดจนบ้าเลยคิดจนบ้าเลยเห็นไหมนี่ก็เรียกว่าเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตทีนี้คิดมันมีสังขารนะมันมีสามกายสังขารนี่ธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นมาว่าจีสังขารว่าจีสังขารก็ธรรมชาตินะั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเราพูดได้เราอะไรได้ว่าจีสังขารมีอยู่ครั้งหนึ่ง ของพ่อไปเทศงานจบไปเทศงานจบทีนี้นั่งของพ่อเทศเนี่ยจะนั่งหลับตาเสม อ, อเทศเทศเทศเทเทศปล่อยจิตก็เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิก็คือให้เป็นสมาธิมันก็ออกไปออกไปออกไปออกไปอะไรเหมือนเราอ่านหนังสืออย่างนั้นน่อะไรผ่านมาก็อ่านไปอ่านไปอ่านไปอ่านไปทีนี้ว่าจิตสังขารก็ออกมาว่าจิตสังขารมันเหมือนกับว่าไอ้ที่ ไอ้บนสีส า, าของเราที่ตรงกลางนั้นมันเป็นบอ่อลึกทีนี้มันเป็นน้ําสีขาวๆแล้วก็หยดลงมามันไหลลงมาที่ใต้ถอยนี่วจีสังการไหลลงมาที่ท้ายถอยพอไหลลงมาที่ท้ายถอยเ ห, หมหือนหลวงพอพูดนี่แหละมันไหลลงมาที่ใต้ถอยแล้วก็ลดตัดตัดได้เป็นคําเป็นคําเป็นคําเป็นคํำนี่วจีสังการต้นเดิมมันอยู่ที่ตรงนั้น ทีนี้ไอ้ที่สมองตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเราดูที่สมองเพราะว่ามันไปแมโมรี่เอาไว้ที่มันได้ยินที่มันเห็นที่มันอ่านที่มันรู้ที่อะไรเนี่ยมันไปเก็บเอาไว้ที่ตรงนั้นไปเก็บเอาไว้แต่ไปเก็บเอาไว้ทีนี้เราต้องการที่จะใช้ต้องการที่จะใช้เหมือนเราใช้เดี๋ยวนี้แหละอแล้วมันก็ไหลออกมาทางใต้ตอเราก็ตัดออกมาเป็นคาเป็นคําเป็นคํา อย่างนี้ก็เรียกว่าวจีสังขารทีนี้ความคิดความคิดที่ว่ามโนสังขารมันก็คิดคิดคิดคิดคิดเหมือนที่บอกนั่นแหละเจตีนายทุนคนนั้นที่มันนอนไม่หลับนมันคิดทีนี้เราก็เหมือนกันมีแต่คิดคิดคิดคิดคิดปล่อยจิตปล่อยใจไม่มีเบรกเลยใจนี่ไม่มีเบรกเลยใส่เบรกกันมั้งไอ้โยม ไม่อย่างนั้นเมันเก็บไม่หยุดเจ้าก็คิดถึงลูกเดี๋ยกวก็คิดถึงหลานใครที่มีหลานเล็กๆมานั่งที่ตรงนี้ไม่รู้หลานอยู่ยังไงแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงแลว้วก็ไม่รู้นี่เรื่องบ้านเรื่องจองอะไรมันก็คิดอยู่นั้นนี่เบรกมันมั่งเบรกมันมั่ ง, งอยู่กับเนื้อกับตัวบอกว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูถ้าไม่มีกูแรงของกูจะมีขึ้นมาได้ยังไงกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารคิดเนี่ยเขาเรียกว่าปรุงแต่ง ว่าศารมาเขาเรียกว่าปรุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยมันมีแต่คิดคิดอันี่เราบอกว่าหยุดอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งดังนั้นพระอรหันต์น่ยท่านอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งอยู่ว่างว่างอยู่ว่างว่างเนี่ยอยู่ว่างว่างของท่านนั้นเนี่ยคือพลังแล้วพลังพลังที่สะสมเนี่ยอยู่ว่างว่างแต่ท่านอยู่ว่างว่างไม่ได้สอนไม่ได้สั่งไม่ได้อบรมไม่ได้อะไรไกลอ๋อถ้าท่านที่ไม่มีสติปัญญามาก ท่านก็อยู่กับความสงบอยู่นิ่งๆอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าท่านมีสติปัญญาที่สะสมมาด้วยการเรียนด้วยการศึกษามาอะไรมาท่านมีปัญญาพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคืออย่างพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ท่านก็ไม่มีปัญญาแต่มีปัญญาในการดับทุกตัวเองได้สอนผู้อื่นไม่เป็นนะอย่างนั้นก็เรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ารูดาเฉพตุลนี้นี่้าพระอรหันต์ที่ท่านที่ มีความรู้ที่หลากหลายท่านก็ขยันในการสั่งในการสอนในการอะไรนี่เรียกว่าจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยมันจนตายแลหละหมดลหมหายใจนู่นแล้แลช่วยช่วยกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยหลวงพ่อไม่ดีใจเลยที่โยมเขาเอาของเอาไ้นั่นไปถวายโอยนี่ไปถวายหลวงพ่อหลวงพ่อพูดอะไรเขาก็จะดสร้างถวายก็ถวายทำไมอย่าตามใจหลวงพ่อมากนะัก แต่ทำไมก็าจึงตามใจหลวงพอ่อก็เพราะว่าหลวงพ่อรับชายเขาเขาก็เลยตามใจหลวงพอ่อหลวงพ่อต้องสั่งต้องสอนต้องอะไรเขาอะไรก็เขาก็เลยอยากให้หลวงพ่ออยู่นานๆที่จะอยู่นานไงถ้าไรเขาก็ทำอยู่อย่างนี้ถ้ายังมีคนฟังอยู่หลวงพ่อก็พูดให้ฟังแต่จนวินาทีสุดท้ายก็ตามใจถ้ายังพูดก็พูดอยู่อย่างนี้นช่างมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่นใจของกูแล้วนี่ตามไม่ใครตาให้่ศาสนา ทำให้พระพุทธเจ้าทำให้กับญาติโยมทำให้กับพระธรรมให้พระธรรมยังอยู่ในโลกนี้นั่ยังมีพระธรรมอยู่เราก็มีที่พึ่งดีนี่เราพูดพุดทธังจรังกฐามิข้าพเจ้ากอพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่พระธรรมธรรมังจานังกฐามิพระธรรมก็เป็นธรรมชาติที่สงบเย็นแต่ว่าพอมาดูเราเอา้ามันไม่จะงบ ก็ะแดงว่าเราไม่มีประธรรมดิที่เราไม่สงบเพราะเราไม่มีประทมทีนี้เราก็ทำมังสะนังกจามิก็จวบกันอยู่นั้นเนี่ยาำมังสะนังกจามิไม่มีพระทมแต่นิดหน่อยจวบกันอยู่นั้นพระทมคือจิตที่สงบเย็นนั่นพระธรรมสักงกังสะระนังกจามิในพระสงค์ในพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมีพระธรมอยู่ไปหน่อยท่านอยู่กับความสงบเย็นนี่ เราต้องเอาตัวความสงบเย็นนั่นมาไว้ที่เรามั้งท่านไม่สมวนด้วยกติกาหรอกแต่ว่าเราเองเนี่ยมันปิดกั้นเอาไว้ตัวกูเนี่ยมันปิดกั้นเอาไว้ด้นสังขารเนี่ยปรุงแต่งปรากฏหยุดไอ้ปรุงแต่งก็คือหยุดคิดหยุดคิดแล้วก็อยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งทีนี้อยู่นิ่งนิ่งเนี่ยมันมีสองนิ่งนิ่งหนึ่งนิ่งโง่นิ่งหนึ่งนิ่งฉลาดก็ไม่หยุดมันที่มัน นิ่งโงคือพอได้สัมมาสมาธิแล้วก็ได้ฌานพอได้ฌานแล้วนิ่งจนมีพลังมีพลังคือพลังฌานมีพลังฌานมีพลังจิตมีพลังจิตสูงอ๋อวงพ่อบอกว่าเออนี่ใครอยากกเจ็บไข้ใดป่วยอะไรไม่ต้องมากหรอกหลวงพ่อเสษปูนนี่แหละไม่เป็นยาหมดเลยเอาคนนั้นปวดหัว เอามาถึงอบปูนนี้ไปดาด่าดาดหายเอาคนนั้นเข็ดเมื่อยอบปูนไปดาด่าด า, าหายพลังจิตทางนั้นมีพลังจิตทางนั้นนี่พลังจิตแต่ว่าเป็นยังไงพลังจิตพลังจิตมันเสื่อมได้เลือดีสีไปในสมัยโ น, น้นหายไปมาใหมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมแต่มันหายไป เร่งจงจยิ่งจงอุ่นเรื่งจงิ่งเดีย่องจังใเร่องจังใจเรื่งจังใจรื่งจังใจเรื่องจังใจเร่งงจ ร้อยนร้อยหนึ่งงรอยาร้อยรา ถึงไหนแล้วดืมหมดแล้วเรื่องหัวก้อหมดแล้วอฌานฌานฌานในเรื่องของฌานน่ต้องไปอ่านเรื่องของพระเทวทัตพระเทวทัตน่ที่ตรณีสูบเพราะชานนั่นแหละเพราะฌานเฉื่อยมดจก เอต้าดูในปัจจุบันเนี่ยดูหลวงพ่ออะไรแล้วอ๋อหลวงพ่ออะไรแล้วที่ซื้อเครื่องบินเนี่ยนั่นก็จาน <c oughs> นั่นก็จานเหมือนกันเนี่ยจานเสื่อมเพราะจานเสื่อมแล้วก็จบไม่ได้จานต้องยกจานขึ้นชูวิปัชนาะแล้วก็เป็นญานแล้วก็เป็นญาน ยกจานขึ้นสู่สัมมาทิฏฐิๆๆจึงจะได้ปัญญาไม่งั้นจานน่มันจะเสือ่อมขนาดฤาษีสมัยก่อนนู้นก็พอได้ทีนี้พระเมรสีของพระเจ้าแผ่นดินองนึอ่งท่านก็ไปนอนตากลมอยู่ประสาทชั้นที่เจ็ดไม่ได้ใส่เสื้อน้อยพอฤาษีไปเห็นก็ยินดีตกดินเลยฤาษี นั่นเจานจานเชื่อหมดเลยเสื่อหมดทีนี้นั่นเห็นไหมถ้าไปยินดีในเงินทองยินดีในผู้หญิงจานเชื่อหมดเสื่อหมดพระเทวทัตเนี่ยนั่นหมดจบเลยจบสาัมมาทิฏฐิอวิชชาสังขารปรุงแต่ง ทีนี้พลังชานพลังที่มันมันมีแต่พลังแต่ว่าขาดปัญญาเหมือนกับว่ามีดมีดเล่มหนึ่งมันมีแต่น้ําหนักน้ําหนักน้ําหนักน้ําหนักแต่ว่าไม่กคมไม่กคมนี่มันต้องมีทั้งน้ําหนักต้องมีทั้งความกคมเราจะทํำยังไงให้มีความคมจิตนี้มีความหนักแน่นหนักแน่นขยันในการภาวนา พ่าภาวนาปล่อยภาวนาปล่อยภาวนนั้นเป็นการรับมีดแล้วก็กทําให้คมทําให้ปัญญาเกิดปัญญาก็ค่อยๆเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเราสงสัยอะไรที่ตรงไหนที่ไหนตรงไหนเราก็ออกมาพิจารณาแล้วมันก็เกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเนี่ยปัญญาทางนั้นจะเกิดปัญญาแต่นั้นมีดเล่มหนึ่งต้องมีทั้งน้ำหนักต้องมีทั้งความคมมันจึงจะใช้ได้ ไม่อย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ควายของอาวิชาอาวิชาเจ็ดโง่สังขารมันก็โง่าตาม พอมาถึงวิญญาณมาถึงวิญญาณวิญญาณนี้วิญญาณวิญญาณแปลว่าความรู้สึกถ้าความรู้สึกโง่ก็กูรู้นี่เนี่ยเป็นกูรู้แต่ถ้าความรู้สึกนี้ฉลาดเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาวิญญาณนี้ก็เป็นวิญญาณฉลาดวิญญาณฉลาดแต่เห็นอะไรวิญญาณนี้ฉลาดในการเห็นนามรูปเห็นอ๋อ รูปอานิจนกกนนจังอนันเตาตาว่างจากกัวตนเวทนาอานิจจังอนเตตาตุญญตาว่างจากกัวตนฉัญญาเป็นอนิจนนนนนจังเป็นอนตเตตาว่างจากกัวตนรังการเป็นอานิจจังเป็นอนเตตาเป็นตุณญตาว่างจากกัวตนตัววิญญาณเองมันเห็นตัวมันแล้วแต่เสรแล้วพอมาอยู่ที่ขันธ์หน้านี่มันจะอยู่ข้างหลังรูปเวาทานาฉัญญา สังขารวิญญาณเนี่ยวิญญาณอย değil, be, ู่ข้างหลังวิญญาณอยู่ข้างหลังลูกน้องอยู่ข้างหน้ารูปเวทนาสัญญาจังการอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าทีนี้วิญญาณก็จัดแถวที่แถวตรงลูกน้องก็ตรงหมดถ้าไกลกดไม่ได้วิญญาณเห็นทันทีนี่วิญญาณตรงไอ้วิญญาณที่เห็นจริงที่นี้ถ้าวิญญาณโง่อ่ะวิญญาณโง่เพราะวิญญาณโง่เป็นยังไงลูกน้องก็ก้าวแถวกด ไม่เป็นแถวเป็นแนวอะไรเลยเพราะตัวเองก็โง่ทีนี้ไม่รู้ว่าตรงคืออะไรกดคืออะไรจริงคืออะไรทุกคือะไรไม่ทุกคือะไรวิญญาณนั้นไม่ร hmm. ู้นั่นคือวิญญาณโง่ฉะนั้นวิญญาณนี้คือรู้นามรูปนี่คือวิญญาณจริงทีนี้เรามาดูวิญญาณจริงกว่านั้นอีกแล้วเราอยู่ตรงไหนวิญญาณของเราวิญญาณที่ตาวิญญาณที่หูวิญญาณที่จมูก วิญญาณที่ลิ้นวิญญาณที่กายวิญญาณที่ใจวิญญาณคือตัวความรู้สึกไงคือตัวความรู้สึกพอตาเห็นรูปมาแล้ววิญญาณมาแล้วตาเห็นรูปอรูปกลโอผู้หญิงสวยอ่าผู้ชายเห็นอ่าผู้หญิงสวยชอบใจมาแล้วมาแล้ววิญญาณโง่มาแล้วเนี่ถ้าผู้หญิงเห็นผู้ชาย รอโอ้ยดารานี้อะไรมันถึงขนาดนี้นี่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิญญาณนั้นตกลุมพลางแล้วตกลุมพลางนี่วิญ ญ, ญาณโง่นังถ้าวิญญาณฉลาดอ่ะวิญ ญ, ญาณโง่ตายแล้วมันไปไหนตามใจมันไปไหนก็ช่างว่ามันเนี่ยไปนรกมั่งไปอบายมั่งไปเนี่ยมันตามเรื่องตามราวของมันนั่นแหละแต่มันเกิดแล้วก็ดดีก็อย่างนั้นเนี่ยแต่ วิญญาณที่ฉลาดมันดับมันดับเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างมันก็เห็นแต่ว่างว่างว่างว่างว่างงงรูปว่างเวทนาว่างจัญญาว่างจังขารว่างพระตัวมันเองว่างมันเห็นว่างจากตัวตนเกิดดับแล้วก็ว่างจากตัวตนเกิดดับแล้วก็ว่างจากตัวตนทีนี้ไอ้วิญญาณพวกนั้นเนยไม่รู้ว่าเราจัดเป็นวิญญาณผีหมดไอ้พวกนั้นผีทั้งนั้นเน่ย อะมันเป็นผีทางนั้นของพ่อก็ไม่ใช่ไม่เคยโดนนะไม่ใช่ว่าไม่มันไม่ไม่มีนะมันมีนะมันมีแต่ว่าเป็นยังไงมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นนึงมันเกิดดับอยู่อย่างนั้นมันมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไปไหนไม่ถูกมันเกิดดับอยู่อย่างนั้นมันมีแต่เกิดดับทีนี้ถ้าวิญญาณของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างวิญญาณทางตาเกิดดับว่าง ตาเกิดตาดับตาว่างรูปเกิดรูปดับรูปว่างจักกูวิญญาณเกิดเนี่ยนต่างๆวิญญาณต่างๆจักกูวิญญาณเกิดจักกูวิญญาณดับจักกูวิญญาณว่างทีนี้ก็ปัจจาการกระทบเนี่ยมันกระทบแล้วพอถามอย่างมันทำงานร่วมกันเกิดการกระทบเราจะมีความรู้สึกที่มันกระทบเน่ยอ่ก็ปัจจาเกิดปัจจารดับ ปัจจาว่างทีนี้พรามันว่างเวทนาเกิดไม่ได้เพราะมันว่างนี่นี่เวทนามันเกิดตารู้จากกุญญาณปัจจ์ตัวที่จะเกิดต่อมาคือเวทนาเวทนานี่มันมีสามตัวนะมีสามตัวหนึ่งสุขเวทนาสองทุกเวทนาสามอัตุกรมทุกเวทนานี่ โยมจำให้ดีจำให้ดีไอ้สามเวทนาเนี่ยหนึ่งพอใจสองไม่พอใจสามเฉยเฉยเฉยง่เฉยโง่ไอ้นี่ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อเคเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่า้าภาษาพระเขาเรียกว่านันทินันทินัน ท, นน ท, นนทิคือความพอใจความพอใจทุกเวทนานั่นแหละพอเราเห็นรูปดาราก็ดีดาราผู้หญิงดาราผู้ชาย เอ้นอะไรก็ตามใจเกิดนันติเกิดความพอใจะความพอใจพอเกิดความพอใจกัน น, นั่นก็เรียกว่าชุกเวทนาชุกเวทนาเกิดนันติความพอใจแล้วเกิดราคะยินดีนพอพอใจแล้วก็ไปยินดีเกิดความยินดีมันวัยมากวัยมากนันติราคะตัณหาสามตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยโยม จดไปมั่งก็ได้นันทิราคะแล้วก็ตัณหาชุกเวทนาจุกเวทนานพอเกิดนันทิขึ้นมานเกิดนันทิขึ้นมาคือมีความพอใจพอพอใจเสร็จแล้วก็เกิดราคะยินดนีแล้วก็เกิดตัณหาอยากได้อยากได้ไดเห็นไหมนี่ที่ ที่นั้นแหละที่ เ, เรียกว่าอุปา เ, เวทนาเนี่ยในเวทนาตัวเดียวนี่เวทนาตัวเดียวนี้แต่ว่าในนั้นเนี่ยมันน่ากลัวมันเกิดที่ตรงนี้แหละถ้าเอาไม่ทันในตรงนี้แหละมันเอาเรื่องแล้วเนี่ยมันสรุปมันมาสรุปที่ตรงนี้พอเกิดทุกเวทนาขึ้นมาพอใจนะเกทุกเวเกิดราคะเกิดราคะคือเกิดความพอใจเกิดทุกเวทนาขึ้นมา พอเกิดทุกเวทนาขึ day, gene, ้นมาโทษาเกิดเกิดทุกเวทนาราคะเกิดเกิดทุกเวทนาโธษาเกิดเกิดอทุกกมทุกเวทนาขึ้นมาโง่เกิดนี่สามเกิดที่ตรงนี้สามเกิดเกิดทุกเกิดทุกเกิดทุกเกิดโง่ทีนี้ไอตัวหลังเขาเรียกว่าเวทนาเวทนาเวทนา เวทนานี่แปลว่าต้องทนต้องทนทุกกเวทนาก็ต้องทนทุกกเวทนาก็ต้องทนอตุกกมาตุกกเวทนาก็ต้องทนนี่ต้องทนดังนั้นเห็นไหมมันมีห้อยตามอยู่ข้างหลังเนหละเนี่ยมันจะมีคําว่าเวทนาเวทนาเวทนาทีนี้แต่ตุกกเวทนาเราคิดว่าเราควางเไเนี่ควงควงคงควงควงจนเบื่อน่นนมันมาแล้วทุกกเวทนามาแล้วมาแล้ว อ๋อเจ้านี่เดี๋ยวมันก็ไปหาอย่างอื่นอีกมันเปลี่ยนเจ้านีน่ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอีกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอีกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอีกนี่ยทุกขเวทนาก็ยึดมั่นถือมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเกิดดับว่างจากตัวตนทุกขเวทนาก็เกิดดับว่างจากตัวตนอทุกมาทุกขเวทนาก็เกิดดับว่างจากตัวตนเวทนาทั้งสามตัวเสร็จแล้วเหลือตัวเดียวคือเกิดดับ แล้วก็ว่างจากตัวตนดูที่ตรงนั้นทางนั้นอยู่ที่ว่างจากตัวตนทางนั้นเลยฉะนั้นเรายึดมั่นถือมั่นในทุขเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะทุกขเวทนานั้นน่ต้องการได้นั้นต้องการได้นี่ต้องการมีนั้นมีนี่ต้องการที่จะเสวยสุขเวทนาแต่เสร็จแล้วก็ทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์ไอ้ทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์อทุกขมทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์เราเหมันโง่ มันก็เลยทุกขนี่เห็นไหมไอ้สามตัวนี้แหละถ้าเราระวังตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกทางตาขึ้นมาเราระวังอยู่แล้วความรู้สึกนั้นไม่ใจกูว่าความรู้สึกไม่ใจกูเรากดท่องเอาไว้เลยกังนวยนะเร า, ต, fearful, า, า, า, า, า, า carrier, ต้องเอาไว้ไม่ใจกูไม่ใจกูว่างว่างว่างว่างว่างวงไม่ใจกูท้องเอาไว้จนชินจนชินจนติดเป็นนิสัยจนติดเป็นนิสัยเลยเคยชิน อันี้เอ็นอะไรก็ว่างเห็นอะไรก็ว่างมันว่างทีนี่ถ้ามันไม่ว่างถ้ามันไม่ว่างมันเป็นการบ้านเนี่เราเอามาทำํำไปทําที่บ้านจะว่าโฮมเวิร์กภาษาอังกฤษทําที่บ้านเอาไปทำที่บ้านเอาไปพิจารณ า, าไปเออสวยจริงคนนั้นสวยจริงผู้ชายว่าผู้หญิงก็ว่าเออผู้ยันรอจริงหรอจริงเอ๊ะมันหรอที่ตรงไหนโอ้ยคิ้วมันดกดําเลยดาราคนนั้น เอายกออกไปเอาเคีมเฉยเฉนคิ้วออกไปแล้วนางพิจุณ า, าพิจุณีคนหนึ่งสวยมากนางพิจุนีนั้นทีนี้ไอ้ไอ้ผู้ชายก็ไปด้อมไปมองไว้ด้อมไปมองอยู่ทุกวันเลยแล้วไปเจ็บทุกวันแล้วตรงไหนสวยที่ท่านชอบว่าสวยที่ลูกตาสวยนางพิจุนีรูปนั้นควักลูกตาเลยวิ่งหนีเลยทีนี้ วุ่ใจคนนั้นวิ่งหนีเลยเห็นไหมนี่ถ้าเห็นโถ่อยที่ตรงไหนก็เฉือนออกมาเห็นตรงไหนที่ก็เฉือนออกมาใช้อะไรเฉือนมีปัญญาเนี่ยเฉือนนี่ใจมีดปัญญาเห็นไหมนี่เรียกว่าไม่ต้องไปเป็นทุกข์เพราะคนเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าโถ่อยว่างงามไม่กี่วันมันก็แก่ไม่กี่วั น, นก็เจ็บไม่กี่วันมันก็ตายนี่ไอ้ที่อยู่กันจนตายนะไม่ใช่อยู่ด้วยราคาแล้ว โยนจนตายก็เห็น อ, อกเห็นใจต่อกันและกันในไหนก็อยู่กันมาแล้วแต่งงานกันมาแล้วมีลูกมีหลานกันมาแล้วอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยกันต่อไปนี่สามีภรรยาเนี่ยอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยกันอะไรด้วยกันเนี hey, มันก็สบายเนี่ยถ้าอยู่กันอย่างนั้นเห็นไหมนี่เวทนานี่น่ากลัวฉะนั้นต้องทิ้งที่เวทนาทิ้งที่เวทนาตัวนี้ถ้าไม่ทิ้งที่เวทนาก็เป็นตัณหามาแล้วตัณหาก็คือตัวยาก เพราะหนึ่งนันติพอใจสองราคะอยากได้สามตัณหาจะแหวงหาอพราะมันอยากนี่มันจะแหวงหาแล้วพอตัณหาแล้วก็อุปาทานยึดมั่นถือมันพอยึดมั่นถือมันแล้วก็เอาไปหมุนหมุนหมุนหมุนหมนหมนมนที่จิตอ่ะเนี่เอาไปหมุนที่จ right jumping, ิตนเอาไปคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดทีหนึ White ่งคราะทีหนึ่งคิดทีห JA. น <dips> ึ่งคราะทีหนึ่ง คือถ้าก็บอกคิดทีหนึ่งก็อดทีหนึ่งเรียกว่าเป็นชาติพาชาติแล้วก็ดับไปเรื่องหนึ่งแจะไปจบที่ทางไหนไปจบที่ทุกคิดทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งคิดทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งนี่เราอยู่กันอย่างนั้นเลยอยู่กันอย่างนั้นทีนี้ทำไมเราไม่แสวงหาทางออกนี่แหละคือทางออกทางออกอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นทุกคนจะต้องแสวงหาทางออกเรามาปฏิบัติรามเพื่อที่จะแสวงหาทางออก อ่าวต่อไปเรื่องนี้ขอจบแค่นี้ก็ขึ้นเรื่องอื่นต่อตัดๆกูตัตๆ พุทธาทาสจักอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็น ร่างกายไปไม่ลาเอียงนั้นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธธาสคงอยู่ไปไม่มีตาย ถึงดีร้ายก็จะอยู่ผู้ศาสนาสมากับหมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลย พุทธาติยังอยู่ไปไม่มีตายอยู่รับชายเพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเชยด้วยธรรมะโคตรตามที่วางไว้ย่างคือ โอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรอางภาพนี้ตอนที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธธาตุท่านาดับไปใหม่ตหม่ <c oughs> แต่ตอนที่กันเสียชีวิตใหม่ๆก็มี้ารูปหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นหลวงพ่อข้าวไว้ไม่ได้มี พระที่เป็นกรรมวาจาจารย์อยู่ข้างนอกแล้วก็มีตากล้องเต็มไปหมดท่านก็เลยบอกตากล้องว่าอย่าถ่ายรูปเลยเพราะว่าสายระยงในอย่างไที่ก็ใส่ไปจากโรงพยาบาลจี ร, ราชก็พวกนั้นก็ไม่เชื่อไม่เชื่อหลวงพ่อว่าเอ๊ะอย่างนี้โอ ไ, ม, ไ, ม, ม, ไ ม, ม้ผมไม้ผมผมจัดการเองหลงพ่อก็จัดการบอกอ๋อ ท่านตากล้องทุกท่านหลวงพ่อก็มีกล้องเหมือนกันอยู่ในย่ามหลวงพว่อไม่ถ่ายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถ่ายก็เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเอาทัวด์ทีทีพิสโสเดี๋ยวนี้เลยลก้าวจบหลวงพ่อเลยนําทัวร์ทีทีพิสโสจนจบก้าวก้าวจบเนี่ยพอจบก้าวจบก็พอดีท่านก็สิ้นชีวิตพอดีท่านหลวงพ่อก็เข้าวไปข้างไใ น, นมีพระรูปนั้นอยู่ใกล้ใกล้ท่านว่าโอ้นี่ลูกศิริรักของท่านก็เลย จับมือของท่านแล้วเอามาวางบนที่จาของของพ่อทีนี้ตอนที่ท่านยังไม่ยังไม่เสียชีวิตท่านกำลังป่วยตอนนั้นป่วยก็มีของพ่อก็ไม่รู้ว่าป่วยหนักเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยตอนนั้นมันมันยังไม่สะดวกเรื่องไอ้โทรศัพท์เรื่องอะไรก็มีแต่โทรศัพท์บ้านนะแล้วก็มีท่านผู้ว่าคนหนึ่ง โทรมาที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อตอนนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสป่วยหนักนะท่านไม่ไปเยี่ยมบอโอ้ตหลวงพ่อยังไม่รู้เลยอยงนั้นก็พรุ่งนี้ก็เอารถมาที่หกโมงของพ่อไปเลยก็รถประจําตําแหน่งผู้ว่าก็มารอรับหลวงพ่อพอยู่รอรับหลวงพ่อหลวงพ่อก็มาตั้งแต่เช้ามืดมาถึงประมาณทักเก้าโมงที่สวนโมกพอมาถึงคือตอนนั้นก็ไม่ให้ใกลเก้าไปแล้ว ม่อยก้าวไปเพราะาท่านไอไขมันอุดตันที่สมองแล้วจะจําอะไรไม่ได้หมดแล้วจําไม่ได้หมดแล้วอเอ๊ะพอหลวงพ่อมาจิตรุ่นน้องนรุ่นน้อ ง, น, องน้องที่ก้าวอยู่บอเออให้ท่านมาข้าวมาที่เผะว่าท่านจําได้หลวงพ่อก็ก้าวไปพอก้าวไปถึงท่านอ็อ๋อมาเยี่นมาแล้วพอกลับผมมาแล้วนี่จําได้ขึ้นมาทันทีเอจําได้ขึ้นมาทันทีเอท่านก็พูด หายเอียนเราจะตายแล้วหลวงพว่อกดอึ้งไปนิดหน่งโอ้ประเดชพระคุณอายุมากแล้วแล้วก็คำสอนของท่านก็มากถ้าหลวงพ่อท่านอาจารย์เป็นอย่างไรไปก็เจ้าจะกล้าจะสืบทอดตามความสามารถที่ทำได้ท่านก็พูด3ามครั้งว่าเราขออนุโมทนาสาธุ เราขออนุโมทนาขออนุโมทนานี่ญาติโยมเห็นไหมเพราะอะไรเนี่ยโยม เ, เห็นไหมของพ่อก็สงสัยอยู่สงสัยเหมือนกันสงสัยนี่เพราะอะไรทําไมท่านจึงจําได้มีครั้งหนึง่งของพ่อไปที่มาเลเซียไปมาเลเซียก็มีผู้หญิงนะก็รู้จักกันเพราะว่าไปเยี่ยมก็บ่อยแล้วก็มีคนที่สนใจธรรมะกันอยู่ก็ไปอ๋อพอไปครั้งหลังโยมคนนั้น ป่วยหนักนอนอยู่โรงพยาบาลหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมก็เอ๊ะหลวงพ่อจะทํำยังไงดีเนี่ยก็เลยยืนอยู่ข้างๆเตียงแล้วสวดอิติปิโสตะวัโตุปปฏิปันโนอธิษฐานจิตเอ้าแล้วคนนั้นก็หายขึ้นมาลุดแล้วก็ลุดแล้วก็อยู่มาหลายปีก็เสียชีวิตหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากทีนี้พอมาถึงท่านอาจารย์แล้วก็ลุดอีก อะไรเนี่ยเราคิดว่านี่อะไรเราเลยจะอาจเอื้อมไปรักษาท่านอาจารย์เพราะท่านอาจารย์เคยพูดกับหลวงพ่อว่านี่ในเอี้ยนคนที่ได้ฌานอย่างนี้นะคนได้ฌานอย่างนี้สามารถที่จะรักษาคนได้ท่านพูดอะไรอย่างนั้นก็เลยจำเอาไว้ทำเอาโอ้เรามันเป็นอย่างนี้แล้วหรออเป็นอย่างนี้แล้วเอาหลวงพวว่อก็ยังไม่เชื่ออีกยังไม่เชื่อก็ไปเชียงใหม่ปีนั้นไปเชียงใหม่ ในเชียงใหม่ก็มีวันหน้าอาการคนนิ้วติดที่กรวยไตนิ้วติดที่กรวยไตนอนอยู่โรงพยาบาลอีกหลงพ่อไปถึงเยี่ยมแลวงพ่เอาคกานมากันมากานม า, า, นมาเนี่ยกว่าดตามปะาะชารองพ่อบอกพูดพูดพูดลองถามครั้ง เ, เปล่าที่หวัพวพระเจ้าก็ไปตาแจ่วไปเลยไปเยี่ยมบองพ่าแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วอะมันเป็นอย่างนี้เลยนเนี่ยทีนี้ก็ไปทีนั้นก็ไปบรรยาย วัญยาที่หมอออาจใหญ่ก็มีโยงก็อกก็ตักบาททุกวันอา้าวไม่สบายอีกหนักจะตายแหล่มีตายแหละเพราะก็ยืนตัวดีตีพีโช อ, อีกตัวดิตีพีโชจาวาคาโตทุปฏิปโนสามจบอ๋อหายเสียจะได้ไปตักบาทต่อไปทำบุญต่ออา้าวหายเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่พัตตะลุงยังอยู่เป็นร้านร้านขายอุปกรณ์ไอ อุปกรณ์พวกรถพวกราหรือพวกนั้นเนี่ยยังอยู่นี่แหละท่านอาจารย์ท่านบอกว่านี่อย่างนั้นอย่างนั้นเพระาะฉะนั้นนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนที่พูดนี่ไม่ใช่หลวงพวอ่ออวดตัวนี่เรียกว่าใชจมันเป็นประโยชน์ใชให้เป็นประโยชน์อย่างนี้เมื่อใชจเป็นประโยชน์อย่างนี้ก็จะรักษาคนได้อะไรได้คือนี่ที่อาจารยเาเรียกว่าพลังพลังจิตพลังจิต แต่ว่าถ้าได้ฌานแล้วไม่ขึ้นวิปัชนาก็ฌานโง่ต้องให้ได้ทั้งฌานได้ทั้งปัญญาด้วยมันจึงจะได้นี่เท่ากับว่าหลวงพ่อนี่เตี๋ยวนี้มารักษาโยมรักษาให้โยมมีปัญญานั่ยแหละอย่าเอาแค่ฌานมันไม่ได้ฌานน่ะมันครึ่งโทษเองมันไม่ได้วิปัชนามันต้องนู้นนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินะั่จึงจะใจได้ เหตุใดนี่อันนั้นมันเรื่องมันเป็นอย่างนี้แต่หลวงพ่อไม่พูดหลวงพ่อตายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกก็พูกญาติโยมก็รู้แต่อย่าคิดว่าหลวงพ่อฉักจิตหลวงพ่อไม่ได้ฉักจิตอะไรหรอกนี่ไม่มีหรอกไม่มีอะไรหลวงพ่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีอย่างเดียวว่ายมไปปฏิบัติแลก่อนปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้ขึ้นมาเองอะไรเองทีหลังมันก็จะไม่ติดไม่ติดอยู่ที่ชานนั่นแหละฌานมันก็ฌานนั่นแหละก็ดีแล้ว แล้วคือเราต้องเพ่งต้องเพ่งอันนีจังคืออะไรอันนีจังคืออะไรอยนะเช่นว่าเช่นผมที่เป็นอันนีจังที่มันไม่เที่ยงมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นโอ้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนนี่เห็นเปลี่ยนแต่วิปัฒนาค่อยๆเกิดโอ้เช่นผมนี่มันคืออร่อยมันเกิดที่ตรงไหนไอ้ตัวมันเองก็จกกระโลงสีก็น่าเกลียดไอ้ที่มันอยู่ที่บนจีร้วอาหารของมันน้ำเลือดน้ําหนองก็หน้าเกลียด เห็นแต่ความน่าเกลียดสีก็น่าเกลียดอาหารก็น่าเกลียดอาการงานที่มันทํามันทําอะไรลัคกี้ฝุ่นก็น่าเกลียดโอ้ยกองน่าเกลียดเราพยายามที่จะหวีจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันสวยให้มันหล่อให้มันงามผมดําผมแดงผมเขียวผมสีจุมพูแล้วก็บ้ากันไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมนี่พอหลงในเส้นผมไม่เห็นว่าเส้นผมนี่มันอ น, นิจจังอนัตตา ชนญาตาว่างกับตัวตนทางนั้นนี่ปัญญายกฌานขึ้นรูปปัญญาทีนี้อย่างอื่นมก็เหมือนกันเลยโยมเหมือนกันหมดะนี่ก็เรียกว่ายกฌานขึ้นรูปปัญญายกขึ้นรู ว, วิปัสนาแต่ว่ามันควังยากเรียกว่าวิปัตนานี่แปลว่าเห็นแจ้งก็เห็นแจ้งอย่างนี้นะมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใจผมกูแต่เมื่อก่อนเห็นไหมหลวงพ่อผมดำอย่ยงนี้ขาวตั้งัวแล้วนั่น่นี่ะ มันไม่ใช่ของจริงมันอร่อไปยึดถือมันทำํำคนจังหัวมันไม่ใช่ผมกูคิดอย่างนั้น น, ะนก็เลิกกันเลิกกันไม่ยึดมั่นถือมันอยู่ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมันมันสบายที่สุดแอลหลวงพ่อมาทําหน้าที่โดตรงนี้ก็หลวงพ่อรับบากประเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสเอาไว้ o ai, หลวงพ่อก็ต้องทําไปจนตายนั่นแหละนี่เอากันจนตายให้ไปค้างนั่นแหละอย่างไรก็ตามใจอะ สอนกันอยู่อย่างนี้ถ้าโยมยังฟังอยู่ถ้าโยมไม่วังเลยหลวงพ่อก็ไม่ต้องสอนอนอนที่วัดรบายโดยนี่เห็นไหมแต่ว่าก็ต้องสอนก็มีคนไปอีกอะไปอีกก็ต้องสอนกันอีกอะไรอีกอว่ากันไปไม่เป็นไรนี่แต่ว่าให้ธรรมะอยู่หลวงพ่อตายไม่เป็นไรแต่ว่าให้ธรรมะยังอยู่พระพุทธเจ้าคนนนิพพานไปแล้วก็ธรรมะยังอยู่เราทุกคนก็เหมือนกันช่วยกันตรีบทอด อายุพระพุทธศาสนาเนี่ให้ลูกให้หลานให้เหลนให้เพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยแหละอย่าให้เขามีความทุกข์นี่มันขนาดไหนอลองคิดดูเดี๋ยวพระพุทธศาสนานี่ขนาดไหนจะไปหาที่ไหนในประเทศอื่นไปหาเถอะไม่มีเหมือนประเทศไทยนี่ไม่มีลองพ่อไปญี่ปุ่นก็มีแต่ร้อยไปประเทศจริงก็มีแต่ร่องรอยไปที่ประเทศอื่นอๆๆนอืนอนอนอน่ไปอินเดียก็ มีแต่รอยทางนั้นเลยหากินกันทางนั้นไม่มีอะไรแล้วนี่พระพุทธเจ้านี่เลี้ยงคนวันวันนึงไม่รู้เท่าไหร่ขอตรงขอทานเนี่ยพระพุทธเจ้าเลี้ยงทางนั้นเลยอาัยพระพุทธเจ้าทางนั้นนี่พระธรรมนั่นแหละจริงสูงสุดเพราะฉะนั้นโยมจะต้องปฏิบัติธรรมะนี่แหละให้สูงสุดขึ้นมาในใจไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องเป็นพระไม่ต้องเป็นเนนไม่ต้องเป็นชีไม่ต้องเป็น คนรวยไม่ต้องเป็นคนรวยไม่ต้องเป็นอะไรเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ก็พอแล้ว พุทธาทาธาตุจัดไม่ตายอาีกีนะอลวยังไม่ได้อ่ ธาตจักอยู่ไปไม่มีตายแมร่ังกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียง นั้นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธาตถคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีรารก็จะอยู่ผู้าศาสนา สมมือกับหมอบกายใจปรบาบใช่มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยทุทธธาตุยังอยู่ไป ไม่มีตายอยู่รับชช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเชยด้วยธรรมะโคตรตามที่วางไว้ย่างเคยโอ้เพื่อนเอย๋ยมองเห็นไหม อะไรตายอ่านี่เรมเห็นไหมถ้าท่านอาจารย์พุทธาทาสท่านตายเหมือนกับร่างกายมันก็จบกันแน่เราไม่ต้องเอามาพูดมันต้อง อ, อะไรแล้วเนี่ยพระธรรมะยังอยู่ธรรมะที่ท่านสอนนี่แหละ ย, ยังอยู่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็ยังอยู่ธรรมะที่พระอาจารทั้งหลายสอนก็ยังอยู่ นี่ไม่ตายธรรมะตายไม่ได้ธรรมะตายไม่ได้คนตายได้แต่ธรรมะตายไม่ได้เห็นไหมนี่ตายไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามท่านใอ้เราก็ไม่ตายถ้าเราปฏิบัติถึงสุญญตาแล้ยวความเป็นเราไม่มีความเป็นกูไม่มีความเป็นมึงก็ไม่มีไม่มีทั้งนั้นมันจะว่างหมดมันไม่ตาย มันไม่กลัวแก่มันไม่กลัวเจ็บมันไม่กลัวตายไม่กลัวตายเปรกจริงๆแก่มันก็ไม่กลัวเจ็บมันก็ไม่กลัวตายมาจาะหน้าอยู่มันก็ไม่กลัวไม่กลัวตายเลยอขึ้นเครื่องบินเนี่ยเออเอเชียมันตกแต่ถ้าที่มองไทยอ่ะมันตกมาหน่อยตกก็จังหัวมันตายก็ตายไปนี่ไปเป็นทุขกันทําไมอ่ะมันตายก็ตายไปนี่เห็นไหมอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวตายอย่าไปกลัวตายนี่แหละมันไม่ตาย ถ้าเรามีธรรมะธรรมะนั้นไม่ตายนั่นตายที่ไหนนี่หลวงพ่อก็ให้ญาติโยมทั้งหลายญาติโยมออกไปปฏิบัติไปปฏิบัติด้ตัวเองก็ทําให้ความทุกขคค์ค่อยๆหายไปหายไปหายไ ป, อยไปอเอาใครมีความทุกขน์นิดๆหน่อยๆมาปรึกษากับโยมนี่โยมก็บอกเอออย่าไปหลงมันเกินไปอย่าอะไรเกินไปอย่าไปยึดมันดม่นถือมั่นอน่ยเขาก็เบาลงอะไรลงนี่ธรรมะไม่ตายใครตายก็ตายไปเถอะแต่ว่าธรรมะไม่ตาย นี่พุทธะไม่ตายอย่างนี้วิธีทำไม่ให้ฉันตายแม่ฉันตายกัน แต่เสียงสั่งยังแจวแววสายว่าเคยพูด อดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลายก็เหมือนฉันไม่ตายใครทำเฮยยังทำกับฉันอย่างกะฉันนันไม่ตาย ฉันอยู่กับท่านทั้งหลายอย่างหุนหลังมีอะไรมาเขียนขายให้กันฟังเหมือนฉันนั่งหวมดูไว ช่วยชี้แจงทำกับฉันอย่างกะฉันไม่ตายด้ ลมจะเปิดปลสนองหลายแขนงทุกวันนัดสนทนาอย่าเลิกแรงทําให้แจ้งที่สุดด้ ความไม่ตายเห็นไหมไม่ตายถ้าใครปฏิบัติธรรมะถึงขั้นนั้นเขาไม่ตายนักประหลาดบางคนพูดว่าพระพุทธเจ้าตายพระเจ้าตายเราเอาทำมาที่ไหนมาปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผูนั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจธรรมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจธรรมุปบาท เราอะไรไปเห็นเอ๋อแล้วปัญญาตายที่ไหนเี่ยจิตโง่เราทําให้มันตายเถอะแล้วปัญญามันก็จะเกิดพอปัญญาเกิดแล้วปัญญามก็ตายไอ้โง่มันก็ตายทันทีพระพุทธเจ้ายังอยู่อยู่กับเราทุกคนนี่แหละถ้าเราปฏิบัติคือสติปัญญานั่นแหละไม่ตายแล้วก็ตายโทษกันไปต่ายโทษกันไปไม่ตายแต่ความโง่อะมันตายเพราะมันโง่มันดึงตาย ปัญญาไม่ตายทอดกันไปเ้วยทอดกันไปเรื่อยเนี่ยทำยังไงให้จิตจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญานั้นมันไม่ตายคือมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นมันเองจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาน่ะมันเป็นอย่างนั้นมันเองถ้าใครปฏิบัติเข้าถึงจุดนั้นคนนั้นก็ไม่ตายแล้วเพราะมันไม่มีกูเพราะมันว่าง มันว่างจากตัวกูว่างจากของกูมันเห็นว่ามันไม่ใช่จริงตัวกูที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงน่ะมันแก่ทําไมน่ะมันเจ็บทําไงไอ้วทําไมมันจึงตายมันไม่ใช่ของจริงทุกอย่างมันไม่ใช่ของจริงทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงแล้วเราเลิกความยึดมั่นถึงมันพอเราปฏิบัติเลิกความยึดมั่นถึงมันแล้วเราก็จะได้เห็นนี่ได้เห็นว่าอ๋อนี่ความไม่ตาย มันเป็นอย่างนี้เองเความไม่ตายมันเป็นอย่างนี้ดงนั้นเราปฏิบัติให้ถึงความไม่ตายกันเติร์ดพอเราปฏิบัติให้ถึงความไม่ตายแล้วเราก็สบายได้กําไรเกิดมาได้กําไรตัวเองไม่พอบอกคนอื่นด้วยโ่นี่ปฏิบัติอย่างนี้นะกําไรนะกําไรของชีวิตนะมัวหลงอยู่มันไม่มีทางเลยมันมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ทางนั้นเลยใครบ้างที่ไม่มีความทุกข์ตอนนี้ แต่ธุกิจไม่ดีเอาบ้านโน้นโอ้ไม่มีคนขายไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีคนขายไม่ได้นี่อะไรก็ขายไม่ได้นั้นก็ขายไม่ได้อันนี้ก็ขายไม่ได้ก็อย่าได้คิดอย่างนั้นไม่ได้ก็อย่าได้มันจะมันอดตายนี่วังคนมีจนร้นคว้าแล้วขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็กินดิกินแต่ดอกแต่ต้นมันแข็งเลยว่าจะไง กินมันมั่งกิต้นมันกินได้กินได้ทั้งนั้นแหละก็บ้างมันกินต้นบ้างที่อย่าไปกินแต่ดอกไอ้คนที่เอาขวากธนาคารเน่ยทีนี้ก็กินต้นมันอต้นมันไม่ทันหมดเดี๋ยวก็เตะตะเกีวก็ดีขึ้นมาอีกไม่ดีก็จังมันปลูกปักกินก็ได้กินก็ได้นี่ไอ้มันได้ทั้งนั้นเน่ยแต่ทั้งนั้นนี่มันต้องเข้มแข็งที่นี่ไม่เข้มแข็งไม่ได้ยกิเลสธนาทั้งนั้นเนี่ยแต่มันไม่เข้มแข็ง แต่ถ้าเราปฏิบัติทำเนี่ยมันจะเข้มแข็งมีความเข้มแข็ง อ, อ่านี้ก็เวลาก็น่าจะทมทัวรแล้วนะก็ญาติโยมทุกทุกท่านจงไปปฏิบัติปฏิบัติตามที่หลวงพ่อพูดแล้วก็ถ้าดับทุกข์ไม่ได้เหมือนที่บอกนั่นแหละถ้าดับทุกข์ไม่ได้ไม่ต้องเงาถ้าดับทุกข์ได้ปฏิบัติ ต, ต่อองตองเงออย่างนั้น